มืดสนิททั้งหมดล่วงเข้าเขตซับบอนขยินผู้นำดุมดุมอยู่เบื้องหน้าตะโกนอะไรโวกเวกลั่นไปหมดรู้สึกว่าจะมีชาวป่าจำนวนหนึ่งเดินสวนทางมาฝ่ายนายจ้างจับกระแสะเสียงที่พูดจาทักทายกันทั้งสองฝ่ายไม่ถนัดนักนันอินกับอนุชาที่คล่องภาษาเกเรียนมากกว่าทุคุพยายามเบิงมองไปข้างหน้าและสะดับรับฟังเสียงเหล่านั้นอยู่ แล้วครูพรานเท่าก็หันมาบอกคณะเจ้านายทุกคนว่ากรเรียงปีนายบ้านซับบอลกับพวกลูกบ้านสองสามคนเดินสวนทางมาเจอเขยินเขาแล้วล่ะนายใหญ่พวกนั้นคงจะได้ยินเสียงปืนที่เรายิงช้างบนป่าหินถึงได้ออกมาดูเราถึงหมู่บ้านซับบอนแล้วล่ะนายและพวกนั้นก็รู้ว่าพวกเรามากันเป็นคณะใหญ่ มันกําลังพูดอะไรโวยวายอยู่กับไอ้ยินนั่นแคมป์พักแรมคืนถูกวางขึ้นภายในบริเวณใกล้เคียงหมู่บ้านซับบอนนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสับลงในเวลาอันรวดเร็วโดยความคล่องตัวของทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนายจ้างทั้งหมดที่คุ้นเคยดีมาก่อนแล้วกับการบุก ป, ป่าและพวกลูกหาบทั้งหลายหลังอาหารมื้อเย็นซึ่งความจริงมากิ น, นเมื่อค่า ม, มากแล้ว ต่างนั่งล้อมวงกองไฟใหญ่พักผ่อนกันด้วยกาแฟเจ้าปีในบ้านซับบอนและลูกน้องอีกสองสาคนจึงถูกเรียกให้มาพบกับคณะของเชษฐาอย่างเป็นทางการเพื่อสนทนาสอบสักถามโดยมีอนุชาและหนานอินเป็นล่ามในกรณีที่ข้อความบางข้อความของภาษาเกรียงซับซ้อนแล้วก็ยากเกินไปกว่าที่เชษฐาดารินและช ย, ยันผูพ้พูดได้แค่งูปูปลาปลา จะเข้าใจได้ลึกซึ้งพอแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเท่าที่เกรียงซับบอลจะรู้เห็นได้ณนะวันที่รพินไพรวันนำคณะนายจ้างอเมริกันมาหยุดพักแรมอยู่ที่นี่ก็ถูกเปิดเผย อ, ออกไปทั้งหมดโดยไม่มีอะไรปิดบังและแน่ละผู้ที่จี้ด้วยคำถามซักไซละเอียดยิบที่สุดก็คือดารินวาราริศหลอนสอบซักแม้กระทั่งลักษณะของอเมริกันทั้งสี่คน รวมทั้งนายทหารไทยที่ติดตามมาด้วยอีกคนหนึ่งคือพันรีเชิดบุตรซึ่งคำบอกเล่าวของกระเรียงปีและพวกรงกันกับรายงานที่หลอนได้รับล่วงหน้าจากนายอําพลก่อนแล้วทั้งสิ้นไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนผิดไปเลยจำนวนคนคณะนั้นมีอยู่ทั้งหมด20คนโดยมีระพินและพรานคู่ชีพของเขาคือบุญคำจันเกิดเสยครบทีม5คนอเมริกัน2คู่4คน กับนายทหารไทยที่มาด้วยหนึ่งคนและลูกหาบอีกห้าคู่สิบคนสัมภาระที่เห็นแบกหามกันมาพวกนั้นรายงานว่าค่อนข้างมากแล้วก็หนักอาการทุกคนพอใจในกระแสะข่าวการออกติดตามสาวรอยในขั้นแรกโดยการนำของพรานชดหรืออนุชาวราริศและหนานอินแม่นยำต่อเป้าหมายยิง่งไม่ผิดพลาดออกไปเลย พรานใหญ่ไม่ได้วางปางพักอยู่ในเขตหมู่บ้านหรอกนะในายใหญ่ปีรายงานให้ทราบต่อไปแต่นูน่นไปพักอยู่ในดงเหนือหมู่บ้านขึ้นไปนะริมลำห้วยไม่ห่างจากที่นี่นักไม่ได้พาพวกเฉียเข้ามาในหมู่บ้านเลยนอกจากพวกพรานลูกหาบางคนจะแวะมาเยี่ยมซกากะเล่ที่นี่ระหว่างที่พักแรมอยู่แล้วปีก็ไปหาพรานใหญ่ที่ปางพักพรุ่งนี้ปีจะพาพวกนายไปดูตรงที่พรานใหญ่พักแรม ก็ไม่หางจากที่ดีเท่าไรนักหรอกเดินชั่วเคี้ยวหมากแหลกก็ถึงละการแสวงหาข่าวขอความร่วมมือจากพวกชาวป่าเป็นที่เชื่อแน่ได้ว่าจะได้รับความสะดวกอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อมีพรานเท่านั้นอินและเจ้านักเลงโตแห่งลุมช้างขยินร่วมมาด้วยเช่นนี้เพราะทั้งสองกว้างขวางคุ้นเคยกับพวกคนป่าคนณเดยเป็นอย่างดีรวมทั้งเป็นที่นับถือเกรงอกเกรงใจของพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะถามอะไร ถ้าพวกนี้รู้เห็นก็จะได้รับคำตอบอย่างกระจ่างแจ้งที่สุดแล้วความจริงก็ถูกเปิดเผยออกไปอีกว่าขณะที่ระพินมาหยุดพักอยู่ในเขตซับบอล น, นั้นเสือกินคนกำลังอาลวาดหนะักโดยขาบเอาลูกชายของเกเรียงปีเองหายเข้าไปในป่าแม้แต่จะตามซากก็ไม่พบตัวเขาเองได้ขอร้องระพีให้ช่วยกำจัดเสือตัวนี้แต่ก็ได้รับการปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่มีเวลา เพราะต้องรีบออกเดินทางอะไรกันพรานใหญ่ระพินน่ะเหรอประสิทธิปฏิเสธที่จะช่วยเหลือดารินร้องขึ้นอย่างแขลงใจมีการสอบสวนทวนความกันอยู่อีกครู่หนึ่งโดยนานอินและอนุชาซึ่งพยายามซักปีแล้วอนุชาก็หันมาอธิบายกับทุกคนว่าปีนะ่ะเขาบอกว่าเขาสังเกตเห็นระพินก็อยู่ในอาการเร่งร้อนมากที่จะออกเดินทาง แล้ก็ได้ปฏิเสธที่จะติดตามเสือตัวนั้นให้จริงแต่เมื่อได้คุยกับบุญคำและพวกพรานลูกน้องของเขาทั้งหลายพวกนี้จึงเพิ่งจะรู้ว่าทิรพินไม่ยอมรับที่จะตามเสือให้ก็เพราะฝ่ายนายจ้างคืออเมริกันทั้ง4คนนะ่ะสั่งไว้ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยแล้วก็จะเร่งการเดินทางท่าเดียวไอ้ที่มาแวะพักตรงเขตซับบอนก็เพราะจำเป็นเนื่องจากการเดินทางมันเกิดมาพลักข้ามาที่นี่เท่านั้นถ้ายังมีเวลาก็คงจะเดินต่อผ่านไปแล้ว ราชสกุลสาวอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งชายันพลุ้งออกมาตามนิสัยดั้งเดิมว่าไอ้พวกฝรัง่งมันใจจืดใจดําอย่างนี้แหละมันจะมุ่งเอาแต่ ง, งานของมันอย่างเดียวอะไรที่ไม่จะผลประโยชน์ของมันโดยตรงอะ่ะมันไม่ยอมเสียเวลาด้วยหรอกและ้วะพินก็ตกอยู่ในฐานะลูกจ้างที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งของมันนะกล้างนายลองถามต่อไปสิเกี่ยวกับเสือกินคนตัวนั้นอะ่ะภายหลังจากที่รพินเดินทางต่านซับบอนไปแล้ว มันยังอาราวาดป้วนเปียนอยู่แถวนี้ต่อไปหรือเปล่าอดีตพรานชดหันไปส่งภาษาแล้วหันมาบอกพรรคพวกในระหว่างที่หนันอินกระขยินยังคงคุยต่อกันในบ้านซับบอนว่าอืมเห็นปีมบอกว่าหลังจากระพินพาพวกนั้นจากไปแล้วในตอนสายของวันรุ่งขึ้นไอเสือกินคนที่เคยเข้ามาป้นเปียอาราวาดอยู่ก็พลอยเงียบหายไปด้วยก่อนพวกนั้นจะจากไป บุญคำได้กระซิบบอกเป็นเชิงปลอบใจพวกนี้ว่าไม่ต้องกลัวหรอกเพราะเสือตัวนั้นจะต้องตามคณะเดินทางไปคงไม่มาจ้องรังควานหมู่บ้านนี้อยู่อีกต่อไปและนี่เวลามันก็ผ่านไปเจ็ดปวันแล้วพวกซับบอนก็ไม่ได้วีแววของเสือตัวนั้นอีกเลยรวมทั้งไม่ได้ข่าวอะไรของระพินด้วยนอกจากจะรู้ว่ามุ่งขึ้นเหนือตลอดอ๋อเขาบอกด้วยนะว่าตอนเช้าก่อนที่พวกนั้นจะออกเดินทางระพินยิงช้างลงไว้ตัวหนึ่ง ในว่ามันลงมาไล่แทงพวกฝรั่งขณะที่อาบน้ำแล้วพวกเขายังเกณฑ์กันไปช่วยแล่เนื้อช้างตัวที่ระพิงยิงลมไว้พี่กลางคะช่วยถามพวกนี้สักนิดเต็มไหมเนยจะถามเองภาษาเก ร, เรียงของน้อยมันก็แย่เต็มทีได้เรียนกล่าวอย่างกระวนกระวายใจอ่ะแล้วเธอจะถามอะไรล่ะคือคือน้อยอยากจะรู้สภาพของระพิง การสังเกตของพวกนี้นะคะพวกนี้พอจะอ่านความรู้สึกกิริยาท่าทีของพวกออกไหมว่าระพินตกอยู่ในภาวะยังไงในขณะที่นําฝรั่งพวกนั้นมาพักอยู่ที่นี่พี่ชายกลางเข้าใจความรู้สึกของน้องสาวดีว่าอยากจะทราบอะไรบ้างหันไปเจราจากันในบ้านซับบอลต่อส่วนชา ย, ยันโบกมือร้องเฮ้น้อยมันจะมากเกินมาแล้วที่เธอจะไปถามพวกนี้ในสิ่งที่เธออยากรู้แบบนั้น ก็เรียงพวกนี้จะไปสังเกตสังกาเห็นความละเอียดอย่างนั้นได้อย่างไรแล้วอย่างหนึง่งระพินก็คือระพินนั่นแหละหน้าดำมิดหมีแข็งกระด้างนี้ก็ะหินอยู่ยังไงก็อย่างนั้นแม้แต่พวกเราเองก็ยังอ่านความรู้สึกนึกคิดภายในของเขไม่ออกแนั่นภาษาอะไรพวกนี้จะไปอ่านออกเล่าดารินนิ่งเอาศอกยันเขา่ามือมองดูกองไฟที่แลบเลียเป็นเปลวสูงสูงต่ําๆำเบืองหน้าครูต่อมา พลันชดผู้ทำหน้าที่เป็นล่ามก็บอกกระทุกคนว่าเขาบอกว่าระพินท่าทางอารมณ์ไม่ดีนักนะตามปกติถ้าผ่านมาทางนี้ก็จะมาพูดคุยแล้วก็นอนพักในหมู่บ้านของเราแต่คราวนี้แยกไปตั้งแคมป์ซะห่างแล้วก็ไม่ได้เข้ามาเยี่ยมเลยฝ่ายพวกเขาต้องเดินไปหาเองจนถึงที่พวกนั้นตั้งแคมป์อยู่โดยทั่วๆไปก็เห็นยังแข็งแรงดีอยู่เหมือนเดิมรวมทั้งบุญคำจันท์ เกิดแล้วก็เสยด้วยเมื่อถามว่าระบวใบหน้าไปทางไหนพวกพรานพื้นเมืองของรพินก็บอกว่าจะพาฝรั่งไปสํารวจหาสมุนไพรแล้วก็ต้องรีบเดินทางโดยไม่ยอมเสียเวลาอยู่ที่ใดทั้งสิน้นอ๋อมีเรื่องตลกนิดห น, น, น, น่อยที่เกิดกับคณะ ข, ของพวกนั้นความจริงก็ไม่สําคัญนะักหรอกแต่ปีเล่าให้ฟังประโยคสุดท้ายพรานชดกล่าวพร้อมกับหัวเราะเบาๆมาไปกลาง เราต้องการประมวลข่าวของคุณชุดนั้นให้ละเอียดละออมากที่สุดเท่าที่จะมากได้พี่ชายใหญ่บอกมาเสียงขึ้งๆอนุชาพูดปนหัวเราะว่าคืออย่างนี้ครับพี่ใหญ่ก็เช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นที่ทานน้าก่อนที่ระพินจะยิงช้างเหนือลําห้วยแมมคนนึงลงอาบน้ําในลําห้วยก็เป็นแม่มสีทองอะ่ะแมมผมสีทองอะ่ะซึ่งปีบอกว่าสวยมากเชีย อ๋อคริสตินา่าได้ยังไงดารินตื่นจากข่วงรำพึงซักโดยเร็ ว, รวก็เรื่องราวทั้งหลายนัเป็นเรื่องที่จันนำมาเล่าให้ซอกาเล่ฟังอีกทีหนึง่งคือบุญคำได้รับคำสั่งจากรพินให้คอยเป็นพรานคุ้มกันประจำตัวของแม่ผมทองนั่นระหว่างลงอาบน้ำอีตอนนั้นรพินออกสำรวจป่าหายเข้าดงไปบุญคำก็เฝ้าแม่มคนนั้นอยู่ก็คงจะไม่มีการรู้กันมาก่อนนะ ว่าทางพานใหญ่กําหนดไว้คุ้มกันเช่นไรไอ้ข้างเจ้าฝรั่งตัวโตผมเรียนทดิฉึกคิดจะเดินตามลงไปพบบุญคํากําลังด้อมๆ้ ม, ม, มองมองอยู่ก็เข้าใจผิดถามว่าบุญคำน่ะแอ บ, บดูแหมมอาบน้ําเพราะความทะลึ่งโลนก็เลยตบหน้าซ้อมบุญคําแล้วพิ้นโผล่มาจากป่าพอดีตรงเข้าห้ามไอ้เจ้าคิดน่ะก็ไม่ฟังเสียงเรื่องก็เลยเกิดฟาดป่ า, ปาการะพินซาดกันด้วยหมัดรุ่นรุนเหนือลําห้วยนั่นเอง เชษฐาชายันและดารินไหวตัวขึ้นทันทีด้วยความตื่นเต้นตกใจฮะรพินเกิดเรื่องต่อยกับฝรั่งไงจ้างอย่างงั้นเหรอชยันร้องลั่นอนุชาคงยิ้มยิ้มอยู่เช่นนั้นก็เป็นคำบอกเล่าอย่างนั้นนะระหว่างที่รพินกำลังสัดอยู่กับไอ้เจ้าฝรั่งตัวโตวน่ะช้างป่าตัวหนึ่งก็พุ่งเข้าใส่ทันทีฝรั่งเปิดอ้าวรพินซัดช้างคว่ำลง เพราะมันกำลังกวดไล่จากระทื้อไปนายผมเกลียนผลที่สุดก็ตกลงทำความเข้าใจกันได้เพราะช้างเขามาแทรกเหตุการณ์ระพินก็คิ้วโปนตาเกือบปิดส่วนนายคีดนั้นเจอมวยไทยก็ไปหน้าแหกเย็บไหลเข็มแม่ผมแดงที่ชื่ออิสเบล์ก็ทำแผลให้ทั้งสองคนเรื่องราวก็ดูจะสงบเรียบร้อยลงด้วยดีเพราะฝรั่งที่เป็นหัวหน้าคณะและ ม, มีคนนึงก็เข้ามาไกลเกลีย่ยเชิาชยยัน ฟังเป็นเรื่องขบขันแต่ดารินหน่าซีดอุทานแผ่วเบาคุณพระช่วยนี่ฉันฟังแล้วไม่สบายใจเลยนะเนี่ยที่รพินเกิดเรื่องกับกลุ่มพวกนั้นจนถึงก็ต่อยอ ก, กันขึ้นนั่นแสดงว่าไอ้พวกนั้นจะต้องดูหมิน่นดูแคลนแล้วก็เหยียดเขาอยู่ตลอดเวลารวมทั้งไม่คิดที่จะเป็นมิตรด้วยและระพินเองก็ตัวเล็กแค่นั้นน่ะจะไปต่อยกับฝรั่งได้ยังไงโธ hey, เฮ้ยรือตึงเต้นเล็กๆนนอย ที่ผงปาติ๋วเหลวนิดเดียวเท่านั้นน่ะน้อยชายันบอกมาปนหัวร้อใครก็ตามที่คิดจะเดินป่ากะระพินและไม่ยอมเป็นมิตรกับเขาก็เท่ากับพยายามฆ่าตัวตายเท่านั้นแหละฉันน่ะไม่วิต ก, กังวลสักนิดหนึ่งไอ้เรื่องปะทะกันด้วยเชิงหมัดมวยก็เหมือนกันต่อให้แบกน้ำหนักกันครึง่งต่อครึง่งฝรั่งนั้นเจอมวยไทยเข้าก็มีหวังชัดไปเท่านั้นรับรอง ว่าเจ้านั่นที่โอหังลำพองวางมวยกระปินตามเรื่องที่ปีเล่าให้ฟังเนี่ยเช่นน้อยหมอนั่งคงเข็ดขี้อ่อนขี้แก่ไปี่เดียวเห็นว่าเย็บสะไหลเข็มไม่ใช่เหรอไอเรื่องที่น่าห่วงและกลับไม่ห่วงดันไปห่วงเรื่องเล็กๆในน้อยแค่นี้นี่จะบอกให้เรื่องที่เธอควรห่วงที่สุดก็คือเพื่อนชายแผ่วเสียงลงเอียงหน้าเข้ามากระซิบไกลๆนิ่ี่ แม่มผมทองกับแม่มผมแดงคู่นั้นแหละขนาดพวกกระเรียงซับบอนค้นตาค้นโดยนะเขายังบอกว่าสวยมากโดยกันทั้งคู่สวยกว่าผู้หญิงฝรั่งทุกรายที่เคยเห็นรพีนตาเดินป่ามาก่อนในอดีตนล้ น, น, นายรพินของเธอเวลาอยู่ในป่าก็มีบุคลิกที่ประทับใจแกบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของเ้าแค่ไหนเธอก็รู้ดีอยู่แล้วผู้หญิงคนไหนก็ตาม เดินตากระพินแล้วไม่สนใจเขาแล้วก็ฮผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ผู้หญิงหรอกนี่พ อ, พอพอพอพอพอหยุดพูดไม่อยากฟังดารินร้องเร็ววปรือเอามือผลักหน้าเพื่อนชายที่เจตนาจะพูดยั่วพังหนักห่างออกไปแล้วกัดริมฝีปากแน่นใช่สิหล่อนรู้ดีกว่าชา ย, ยันซะอีกในเมืองหรือท่ามกลางแสงสีสีเวลายแล้วพระพินไทวัน ไม่มีความหมายอะไรเลยแต่ถ้ากลางป่าดงพงพีท่ามกลางมหันตภัยที่แวดล้อมอยู่แล้วก็ผู้หญิงคนใดก็ตามไม่ว่าจะถือตัวเลิศลอยสักขนาดไหนหากมีหัวใจอยู่บ้างก็ยากนักที่จะเมินเฉยไม่ให้ความสนใจกับสุภาพบุรุษไพรผู้นี้ได้หล่อนประสบมากับตนเองแล้วทำไมถึงจะไม่ซึมซาบตรหนักดีแล้วถึงแมหรือมาเรีย การกลายเป็นแม่ลูกอ่อนของชายยันอยู่ในขณะนี้เองก็ตามหล่อนรู้ดีว่าก่อนจะมาตกร่องปล่องชิ้นกับชายยันแม่สาวลูกครึ่งฝรั่งเศสผสมเยอรมันผู้นั้นก็ปราถนารพินของหล่อนมาก่อนชนิดที่จ้องจะขมือบให้ได้คากระเซ้าของชัยยันซึ่งไม่ได้เจตนาอะไรมากไปกว่าแกล้งพูดยาวเล่นจึงเปรียบเสมือนหนามแหลมคมกรีดกลางใจของหล่อนดาริงคิด อยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ปกปิดไว้ไม่ให้ใครเห็นและพยายามจะลืมเช่นเท่านั้นมาโดนสะ ก, กิดเขาแบบนี้ก็ยิ่งทุกข์กังวลหนักเว้นแต่จะทำเป็นปากแข็งแม้จะเชื่อแน่ในหัวใจรักอันมั่นคงหนักแน่นและความไม่มักมากไม่เจ้าชู้โดยไม่เลือกของชายอันเป็นที่รักของหลอนซักเพียงใดก็ตามแต่ภูมิประเทศและเหตุการณ์มันน่าหวาดเสียวที่สุดป่าเปรี่ยวกันดานเช่นนั้น ความพลัดพรากจากไกลจากหญิงอันเป็นที่รักที่หวังหรือมิฉะนั้นก็ความสิ้นหวังท้อแท้ต่อชีวิตที่เจ้าตัวอาจคิดว่าตนเองหมดโอกาสที่จะได้กลับมาพบเห็นโลกภายนอกอีกแล้วมีเปอร์เซนต์มากที่สุดที่จะทำให้รับพินไฟวันของหล่อนหลวมตัวพลากไปได้ยิ่งถ้าประกอบกับแม่อเมริกันผมทองและผมแดงคู่นั้นมีเจตนาที่จะผูกพันกับเขาให้ได้มีเหรอ ที่ระพินจะหนีเงื้อมือไปได้พลนเพียงแค่วาดภาพคำานึงไปเองเท่านั้นอกของดารินก็กลัดหนองแทบจะระเบิดพังพินแต่แข็งใจวางสีหน้าปกติและดับความรู้สึกภายในด้วยแบรนดีจากถ้วยพลาสติกที่กำแน่นอยู่ในมือหลอนรู้นิสัยสันดานของผู้หญิงอเมริกันหรือยุโรปดีต่อให้ดูเหมือนกับว่าจะจับคู่กันไปสองหญิงสองชายแบบคู่ขา หรือแม้จะเป็นคู่สามีพัญญาก็ตามแต่ถ้าไม่เจ้าประคุณเกิดอารมณ์พิศสวาสด์เสนหาหรือต้องการในด้านเพศกับใครขึ้นมาเมื่อไหร่เพื่อนชายหรือสามีผิวเดียวกันที่มาด้วยก็ไม่มีความหมายว่าจะกีดกันหรือสกัดกัน้นควบคุมไว้ได้พวกนี้มีนิสัยประเภท ฟ, ฟรีเซ็กอยู่ก่อนแล้วยิ่งเป็นนักวิชาการยิ่งเป็นผู้รอบรู้มากขึ้นเท่าใด ก็ยิงลดผลจนทยานในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นเพียงนั้นพระอิสระเสรีมากเกินไปตามเผ่า พ, พันธุสภาพสังคมความเป็นอยู่เยี่ยงชนชาติที่คิดว่าตนเองจเจริญขีดสุดแล้วถ้าเป็นหญิงทางเอเชียหล่อนจะปลอดโปร่งสบายใจมากกว่านี้เพราะหญิงเอเชียนั้นอย่างน้อยขนบประเพณีและยางอายในด้านนี้ก็ยังพอมีเหลืออยู่บ้างไม่ถึงลูกถึงคน เป็นฝ่ายปรีเข้าถึงตัวผู้ชายซะเองผิดกับพวกแม่มส่วนมากทั้งหลายและสภาพของราพินในขณะ น, นี้ก็เปรียบไม่ผิดอะไรกับมดใกล้น้ำตาลต่อให้เป็นมดตัวที่มีสัจจะและเคร่งศีลซักขนาดไหนก็ตามทีเถะไหนจะห่วงถึงความปลอดภัยในชีวิตของชายคนรักไหนจะห่วงถึงเรื่องที่ไม่สามารถปลีปากบอกใครได้ดารินกลัดกลุ้มเหลือที่จะกล่าว ถาไม่อยู่ท่ามกลางเพื่อนพี่ชายและบริวารอื่นๆที่แวดล้อมอยู่ด้วยหล่อนคงร้องไห้ไปแล้วจากการเป็นคนช่างซักมากที่สุดหล่อนกลายเป็นคนเงียบขรึมปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นๆไล่เลี้ยงออกกับกระเรียงปีเออแล้วฝรั่งสี่คนนะั้นไปยังไงมั่งเท่าที่เห็นน่ะลักษณะเป็นนักต่อสู้เดินป่าชำนาญมากก่อนหรือเปล่ชาชยันตั้งคําถามบ้าง ผ่านนานอินซึ่งได้รับคำตอบว่าลักษณะเหมือนพวกทหารโดยเฉพาะผู้หญิงสองคนนั่นบุนคำบอกว่ายิงปืนแม่นมากเรื่องนั้นนไม่ต้องถามไม่เสียเวลาหรอกพวกนี้นถูกคัดตัวมาแล้วทั้งนั้นเชียวขาขัดขึ้นแล้วหันไปทางน้องชายกลางเออนี่เราพอจะได้อะไรพอสมควรนะละักเกี่ยวกาคณะของรพินที่มาพักอยู่ที่นี่ของค่าวันแรกที่ออกจากหนองนําแห่ง ทีนี้ลองมาฟังเสียงของกะเหลี่ยงพวกนี้เกี่ยวกับไอ้ช้างขลุงประหลาดที่เราเจอเข้าเมื่อใกล้คำนี่ดีกว่าพวกซับบอนรักแค่ระกใครอะไรบ้างไหมทั้งพรานชดและหนานอินหันไปคุยเบาๆอยู่กับนายบ้านซับบอนอีกพักใจทีเดียวระหว่างนี้เชิฐาและชายยันสังเกตเห็นพวกนั้นทําหน้าตื่นตื่นและสั่นหัวอยู่ไปมาต่อมาน้องชายคนกลางอันทําหน้าที่เป็นมักุเทศหรือพรานนําทางก็บอกว่า พวกนี้แปลกใจในเรื่องที่เราเผชิญมาและเล่าให้เขาฟังมากครับทุกคนยืนยันว่าไม่เคยได้ข่าวว่ามีช้างโขลงเกกากไกเรเป็นพิเศษมาอาลาวาดเอากับพวกเขาก่อนเลยนอกจากพวกช้างป่าปกติธรรมดาเท่านั้นพวกนี้แทบไม่เชื่อว่ามันดักงัดหินลงใส่เราตรงที่ไต่ทางด่านขึ้นมาแล้วซุ่มเงียบเตรียมล้อมกรอบเราอยู่บอกว่าช้างมันต่อให้ฉลาดสักขนาดไหน ก็ไม่เคยวางอุบายดักโยมตีคนด้วยกลยุทธ์แบบที่เราเล่าให้ฟังมาก่อนเลยส่วนไอ้ด้วนน่ะทุกคนรู้จักมันดีทั้งนั้นและไม่เคยมีใครทำร้ายมันเนื่องจากกระพิน์มากําชับสั่งไว้นานแล้วนานๆไอ้ด้วนก็จะเฉียดกล่หมู่บ้านซับบอนเข้ามาสักทีหนึ่งพวกนี้ก็กลัวมันเหมือนกันเพราะมันเคยไล่ขับเองมั่งแต่ยังไม่เคยทาอันตรายใครถึงตายและที่ไม่มีใครคิดล่ามันอย่างจริงจัง กพระเคารพเชื่อฟังในคําสั่งคําขอร้องของระพินถ้าทั่างนั้นที่พวกเราโดนกันเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกพิสดารมากเอาละบอกเจ้าปีว่าเราขอบใจมากที่ไอการต้อนรับและให้ข่าวเรื่องระพินกับเราเท่าที่เขารู้ให้เขากลับไปได้แล้วทางด้านเราก็จะพักผ่อนเหมือนกันพรุ่งนี้ก่อนออกเดินทางต่อเราจะให้เขาพาไปดูตรงตําแหน่งที่ระพินเคยพัก แล้วก็บอกพวกลูกค้า ب, ให้แบ่งเกลือที่เรามีติดตัวมาให้เขาไปบ้างแล้วกันก็เรียงปีในบ้านซับบอนกับพวกที่มานั่งคุยอยู่ด้วยผลัดจากไปแล้วคณะติดตามรพินยังคงนั่งผิงไฟดื่มกาแฟและบรันดีปรึกษาหารือกันต่ออีกครู่หนึ่งจ้ายังไงกันดีสำหรับพรุ่งนี้ชัยันเอ่ยขึ้นเป็นงานเป็นการกับเชตฐาและอนุชา เราจะแกะรอยระพินกับพวกนั้นไปเรื่อยๆอย่างชนิดเดินทับรอยของเขาไปหรือว่าจะใช้วิธีลักทางก้าวสกัดในเมื่อเราก็รู้จุดหมายในขั้นแรกนี่แล้วว่าระพุนระพินมุ่งห้วยเสือร้องพรานชดในฐานะผู้นําทางหันไปซุบซิบหารือกันเองอยู่ขนานอินแล้วก็บอกกับเพื่อนพี่ชายว่าเป็นตัดสินใจอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ถูกหรอกการก้าวสกัด อที่ห่วยเสือร้องเลยทีเดียวใจผลดีเฉพาะช่วยย่นระยะเวลาก็อาจจะทำให้เรากระชั้นชิดเขาเข้าไปถ้าเขาไม่เปลี่ยนเข็มซะก่อนแต่อะไรต่ออะไรมันยังเอาแน่ไม่ได้รพินอาจจะเปลี่ยนเส้นทางซะ ก, ก่อนก็ได้ส่วนถ้าจะแก้รอยไล่หลังเข้าไปทุกระยะเราก็จะได้หลักฐานแน่ชัดว่าเขาหยุดพักที่ไหนบ้างระหว่างทางเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าว่ามันทิ้งระยะเวลาตั้ง7แวัน ที่พวกเขาเดินล่วงหน้าไปก่อนแล้วกลัวว่าจะไล่ไม่ทันเรื่องนี้ก็อย่าเพิ่งให้ตกลงใจแน่นอนลงไปก่อนเลยเราจะพิจารณาเป็นขั้นๆไปตามเหตุการเฉพาะหน้าดีกว่าไอ้ที่จะพูดใล้ทุกคนอุ่นใจและมีความหวังเพิ่มขึ้นก็คือฉันกระลุงอินชำนาญป่าแถบนี้มาแล้วและสัมภาระฝ่ายเรามีน้อยกว่าพวกเขาเรามีโอกาสเคลื่อนที่เร็วกว่าเขาแน่แม้จะไม่มากนักก็ตาม สรุปก็คือเราคล่องตัวกว่าเขาเล็กน้อยอืมกลางพูดถูกละพี่ชายใหญ่เห็นด้วยภายหลังจากคิดตรองอย่างสุขุมรอบคอบตามปกตินิสัยเราจะยังตัดสินใจแน่นอนลงไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้ว่าจะใช้วิธีใดนอกจากจะพิจารณากันอีกทีนึง่งแต่เธอแน่ใจไหมกลางถ้าเราจะใช้วิธีก้าวสกัดไปที่ห้วยสือร้องในกรณีจาเป็นเราจะใช้เวลาได้เร็วแค่ไหน อย่าห่วงครับพี่ใหญ่นั้นยินรับรองว่าไม่เกินห้าวันจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปถ้าจะมุ่งค่้ยเสือร้องกันจริงๆเราก็จะถึงได้แต่หนทางธุรกันดาลเสี่ยงมากเท่านั้นปีนเขาเรียบเหวลอดถ้ำงันไปตามเรื่องซึ่งรพินคงไม่ใช้วิธีนั้นแน่ๆเพราะอาจจะห่วงนายจ้างและสัมภาระหนักที่จะตามไปด้วยก็ไม่สะดวกแต่ทางด้านเรานี่ไม่มีปัญหาอะไรนี่ทุกคนชนานาญทางแบบนี้มาแล้วทั้งสิ้น ยังไงก็ตามขอให้ความเห็นไว้หน่อยนะว่าขณะ น, นี้รับพินนะ่ะเขาไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกติดตามเพราะฉะนั้นเขาก็คงไม่ถ่วงเวลารอเราแล้วก็นำพวกนั้นรุดหน้าไปแล้วแบบ full speed แน่นันอินนะ่ยชำนาญทางจริงเชื่อแต่รับพินละ่ะเขารู้เส้นทางน้อยไปกว่านันอินเหรอในป่านะรับพินเป็นคนที่ไหนผีป่าชัดๆลงพ่อออกเดินแล้วแล้วก็หน้าไหนก็ไม่มีวันตามทานันทำไมาหยุดรอให้ ชายันแย้งอย่างเป็นห่วงระพินไม่ได้ไปคนเดียวยังมีฝรั่งและคนไทยรวมแล้วห้าคนซึ่งเป็นฝ่ายนายจ้างเป็นภาระถ่วงอยู่ต่อยพวกนั้นจะเป็นนักเดินป่าสักแค่ไหนฉันก็ไม่เชื่อหรอกว่าจะตามระพินชนิดเคียงบ่าเคียงไหลและนั่นก็คือการถ่วงเวลาไปในตัวโดยเฉพาะยังมีผู้หญิงอีกสองคนนะ่ะที่เป็นตัวถ่วงถึงไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะตามทันก็ย่อมมี ร้อยตัดสินใจดักให้ถูกทิศทางเถอะพี่ชายใหญ่ของคณะสรุปตัดความและบอกให้ทุกคนเข้านอนต่างพระจากกองไฟรงเข้าไปยังบริเวณที่จัดไว้สำหรับเป็นที่นอนพักทันทีไม่ได้มีเต็นท์รึกระโจมหรูหราอะไรทั้งสิ้นเพียงแค่พลาสติกหนาผืนหนึ่งปูพื้นอีกผืนหนึ่งขึงบังไว้ด้านบนกันน้าค้างอันเป็นลักษณะที่เคยอาศัยพักนอนกันมาก่อนแล้ว ตั้งแต่ออกจากหลุมช้างล่วงเข้าสู่เขตนรกดําในครั้งนั้นซึ่งการนอนดงแบบนี้ช่วยให้ประหยัดน้ําหนักในการแบกหามอีกหลายเท่าตัวเพียงแต่ไม่สะดวกสบายเท่าที่ควรเท่านั้นเทว่าทุกคนก็ยอมรับรู้สภาพมาก่อนแล้วมีดารินเพียงคนเดียวเท่านั้นที่คนอื่นลุกขึ้นหมดแล้วแต่หล่อนยังนั่งมองดูกองไฟเฉยบนขอนไม้ที่เก่า อนุชาหันไปเห็นก็บอกมาสั้นๆว่าน้อยนอนนอนกันก่อนเถอะคัะพี่พลางน้อยขอนั่งผิงไฟคนเดียวสักครู่หนะึ่งเดี๋ยวจะตามไปไม่ต้องห่วงหรอกหล่ลอนบอกมาเบาๆอันเนื่องมาจากรู้มือกันดีมาก่อนแล้วเฉตหาอนุชาและชั ย, ยันจึงไม่พูดอะไรอีกพากันเข้าประจำที่ลปอยนอกสาวคนเล็กไว้ตามลำพังดังประสงค์ของหล่อน โดยไม่เซาซีชักชวนอะไรอีกเจ็ดสิบห้าบัดนี้ดารินวราริตนั่งอยู่เดียวดายในความสงัดวิเวกของราต ร, รีกลางไพรพฤกท่ามกลางเสียงธรรมชาติของราวไพรที่แวดล้อมอยู่รอบกายลมป่าอันแสนจะเยือกเย็นพริ้วผ่านมาเป็นระยะระยะฝืนแตกปะทุอยู่ในกองนานๆจะได้ยินเสียงนกกลางคืน และหมาจิ้งจอกหอนแววมาตามลมแต่ไกลไรเฟิลคู่ชีพภาดอยู่กระตักสอกทั้งสองข้างตั้งอยู่กับเนื้อเหล็กอันเย็นเฉียบของมันฝ่ามือรองรับคางไว้ตางามมีประกายเศร้าลึกมือมองอย่างปราศจากจุดหมายอยู่ที่เปลวไฟแลบเรียรสูงสูงต่ำตๆในกองที่ก่อไว้เบื้องหน้า ระพิงจา๋าขณะนี้เธออยู่ไหนจะรู้บ้างไหมว่าน้อยกำลังตามมาหัวใจของหล่อนเพรียหาคล่ำครวญ น, นานเท่านานการเวลาผ่านไปตามลำดับราชสกุลสาวยังคงนั่งจมอยู่ในห้วงรำพึงเช่นนั้นต่อมาพวังของหล่อนก็ถูกปลุก เมื่อนกแสกร้องแหลมบินโฉบทลาผ่านสีสะัะจากด้านหน้าและหายไปในเงามืดของป่าด้านหลังดารินควักบุรีออกมาคาาหยิบฟืนจากในกองมารมต่อแล้วโยนฟืนเล็กๆดุนนั้นเข้าไปในกองตามเดิมลุกขึ้นยืนเต็มส่วนสัตว์ออกเดินตรวจช้าๆไปรอบๆ บ, บริเวณแคมป์ที่พักนอนกันอยู่นั้น ลูกหาบทุกคนนอนหลับสนิทกันอยู่เป็นกลุ่มทางด้านหนึ่งใกล้ๆ ก, กับกองสัมภาระขยินงกระนาำอินแยก่กันไปนอนตามลําพังอยู่ใต้ต้นไม้ฝั่งตรงข้ามคนละทิษกันตามลักษณะของพรานไพรผู้เจนป่าไม่สะทกสะทานพรานพรึงต่อสิ่งใดทั้งสิ้นส่วนตำแหน่งที่ใกล้กองไฟกลางอันเป็นกองไฟใหญ่ที่สุดคือกลุ่มของพี่ชายและเพื่อน ซึ่งขณะนี้ก็ดูเหมือนจะหลับกันไปหมดแล้วภายใต้แดงเก็ตใหญผืนเดียวกันทั้งสามคนนอนเรียงกันเป็นหน้ากระดานหันศีรษะไปทางทิศเหนือซึ่งเป็นบริเวณที่โล่งกว้างปราศจากซุ้มไม้หรือพงทึบบังอันเป็นชยภูมิที่ถูกหลักที่สุดเพื่อว่าถ้าัตว์ร้ายใดจะย่องเข้ามาทางด้านศีรษะมันก็จะไม่มีที่กาบังแฝงตัวเข้ามาได้โดยสะดวก นอกจากผ่านที่โล่งโปร่งตาและคงจะพิจารณาเห็นกันแล้วว่าการพักแรมคืนนี้เป็นการพักแรมในเขตหมู่บ้านซับบอลซึ่งอบอุ่นพอสมควรยิงไม่มีการกำหนดจับเวญยามระวังใัยใดๆทั้งสิ้นทุกคนหลับกันได้อย่างสบายการตรวจบริเวณไปรอบๆของหลอนไม่มีใครไหวตัวตื่นขึ้นมาพบเห็นหรือรู้สึก สภาพของหลอนในขณะที่เพื่อนผู้ร่วมคณะนอนหลับกันหมดสิ้นแล้วและตนเองออกเดินกรีไปรอบๆในขณะนี้ความรู้สึกบอกตอนเองว่าสิ่งที่หลอนปฏิบัติอยู่เหมือนระพินไพรวันไม่มีผิดต่อไปนี้หลอนจะต้องปรับระดับจิตใจให้เข้มแข็งที่สุดตลอดจนใช้ความสามารถขีดสุดในการบุกบั่นเดินป่าจากประสบการณ์ความชนานาญที่เขาผู้นั้น เปรียบเสมือนปรมาจารย์ฝึกปลื้อถ่ายทอดไว้ให้ถูกแล้วหล่อนก็สิบมีครูคนหนึ่งเหมือนกันในอาณาจักรอันลี้ลับของป่าดงพงพีมีอะไรที่จะต้องพ่ันพึงหวั่นเกรงหล่อนเป็นคนละคนกับดารินเมื่อสมัยก่อนครั้งเริ่มออกติดตามพี่ชายผู้สาบสูญคราวนั้นซะแล้วหากแต่เป็นดารินไครวันโดยความรู้สึกและสานึก แม้จะไม่ใช่โดยพฤตินัยหรือนิตินัยก็ตามทีดารินไพรวันหล่อนย้ำกับตัวเองขณะที่อัดควันบุรี่ลึกแล้วปล่อยให้ลมเย็นพัดกลุ่มควันนั้นกระจัดกระจายไปเพราะฉะนั้นในป่าใหญ่ไพรกว้างอะไรก็ตามที่มันไม่ได้เข้ามาเยี่ยงมิดก็เชิญให้มันเรียงหน้าเข้ามาเถอะหล่อนพร้อม พร้อมที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับมันทุกขนาดจิตเสมือนหนึ่งมีเขาผู้นั้นอยู่เคียงข้างเดือนข้างแรมอ่อนๆสาดแสงสลัวซีดลอดเงาไม้ลงมาเป็นจุดร่างๆอยู่ทั่วไปมีไม้อยู่ต้นหนึ่งไม่ใหญ่โตนักแต่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มอยู่โดดเดี่ยวกลางพื้นที่ราบโล่งทางด้านหัวนอนของแคมป์พักห่างออกไปประมาณ20เมตร หล่อนเดินทอดเท้าช้าๆตรงเข้าไปที่นั่นสติสัมปชัญญะและระบบประสาท ต, ตื่นพร้อมในแสงที่ไม่ชัดเจนของเดือนแรมในเงาตะคุ่มพร่าพรางหน้าพิศวงและในความเงียบส ง, งัดได้ยินแต่เสียงลมพัดใบไม้ไหวอยู่แผ่เบาเหมือนพูดคลายกระซิบกระซาหล่อนบอกตอนเองว่าหล่อนเห็นเงาของอะไรชนิดหนึ่ง ลับๆ ล, ล่อๆ อ, อ, อ, อยู่ใกล้เงาไม้ต้นนั้นอาจเป็นเพราะความคุ้นเคยกับสายตามาเก่าก่อนชนิดที่ไม่มีวันเลือนหายไปจากความทรงจําได้เลยอุปทานมองเห็นเป็นภาพของอดีตคนใช้ประจำคณะในยุคก่อนมาปรากฏให้เห็นอีกแล้วรูปร่างขนาดนั้นกิริยาที่ยืนพังงาตร่างงานงามเช่นนั้นจะเป็นอื่นไปไม่ได้ นอกจากเงาสายเงานั้นบางขณะก็ดูจะชัดเจนอยู่กลางแสงจันทร์บางขณะก็รางเลือนคลุมเครือไปเหมือนว่าจะบังเข้าแฝงเงาไม้ที่แผ่ฉายอยู่หลอนรู้ถ้าใช้ไฟฉายเมื่อไรก็ย่อมมีแต่ความว่างเปล่านอกจากไม้ต้นนั้นเท่านั้นนายหญิง นายหญิงกลับเข้าไปนอนซะเถอะอย่าออกมาดึกมากแล้วเสียงกระซิบแววเข้าสู่ทางสมองหรือทางดวงจิตของหล่อนไม่แน่ใจดารินสูดลมหายใจลึกเดินปลาต้นไม้นั้นเข้าไปเป็นลําดับทําไมนะแง่ทรายทําไมฉันถึงได้มองเห็นภาพและได้ยินเสียงของเธออยู่เสมอฉันอยากจะเห็นเป็นภาพ และวแววเสียงของเขาพูดนั้นบ้างแม้จะเป็นเพียงแค่อุปทานหลอนตัวเองก็ยังดีแต่เขาก็ไม่เคยปรากฏวีแววฉันได้พานพบบ้างเลยหลอนพูดกับตนเองเงียบคราวนี้ไม่มีสําเสียงสำเนียงใดแววมาสู่โสดสมองหรือดวงกิดของหลอนอีกที่สุด ดารินก็ได้มาหยุดยืนอยู่ณตำแหน่งต้นไม้นั้นกลางแสงเดือนฉายใต้ร่มเงาอันมืดสลัวของมันนั้นว่างเปล่าไม่มีสิ่งใดอื่นเลยนอกจากกิ่นเล็กๆสองสามก้อนที่งอกอยู่โคลนต้นใบกระทบแสงเดือนเป็นมันเลื่อมพลายพลิกไหวอยู่ริกริกด้วยลมดึกลำต้นอันมีลักษณะเป็นพุ่มนั้นไม่สูงใหญ่เกินไปนะัก และเป็นไม้ยืนต้นเพียงต้นเดียวโดดเด่นอยู่กลางพื้นที่โล่งของทุ่งหญ้าระบาดเมื่อฉายไฟดูหล่อนก็เห็นว่าต้นไม้ต้นนั้นคือต้นอโศกก็น่าประหลาดจุนามของไม้นั้นชื่ออโศกอันหมายถึงปราศจากซึ่งความทุกโศกใดๆทั้งสิ้น มันตรงข้ามกับความรู้สึกที่โศกเศร้าเงียบเหงาวังเวงใจของหล่อนยามนี้เหลือประมาณหล่อนออกเดินอาบแสงจันทร์มาพบกับมันโดยบังเอิญที่สุดโดยไม่คาดหมายมาก่อนสำหรับไม้ป่าชื่อเป็นมงคล น, นั้นดับไฟในมือลงแล้วก็ยืนพิษดู ก, กิ่งก้านช่อใบของมันกลางประกายแสงจันทร์รำไพ แล้วพลันก็เว่ยวแววเสียงทุ่มลึกกัางวานเป็นภาษาสันสกฤ ต, ตลอยมาจากที่หนึ่งที่ใดว่าอาโหวตายัมอคัมสรีมาอัสมาวนาแร่เงี่ยเสียงเธออีกแล้วใช่ไหม อนุสติของหลอนถามออกไปครับหนายหญิงผมเองครับแง่ทรายนี่แงาทรายฉันจะไม่ถามแล้วนะว่าเธออยู่ที่ไหนเพราะรู้สึกว่าเธอวนเวียนอยู่ใกล้ดวงจิตของฉันตลอดเวลาในแปลความหมายของประโยคที่เธอกล่าวขึ้นในฉันฟังสิ ่าดูอโศกนี้สีสวยอยู่ณถ้มกลางไทยเพริดแท้ไพรรมากเงยสายไหนต่ออีกสิอาปิทไทยมหุพีภาติสะรีมาราวตราอีวะ ขึ้นชุ่มชะอุ่มใบลมระบัดดูสุขสนุกแม้มาดแม้นจอมผาฉันรู้แล้วแง่ายถ้อยคำเหล่านี้มาจากไหนเป็นคำพร่ำรำพึงของนางธมยันตีขณะที่ออกสมสารด้นดั้นไปกลางป่าเพื่อติดตามสแสวงหาพระนนด้วยความจงรัก นางได้พบเข้ากับต้นอโศกกลางป่าใหญ่ได้เอ่ยถ้อยคําเช่นนั้นขึ้นและนางธุมยันตีได้รำพันต่อไปว่าอาดูอโศกนี้สีสวัยวิไลาตาอยู่วางกลางพนาเป็นสง่าแห่งแนวไพรชุ่มชื่นรื่นอารมณ์ ลงเผยพัดระบัดใบดูสุขสนุกใจเหมือน แ, แลดูจอมภูผาอาโศกดูแสนสุขช่วยดับทุกข์ด้วยสักราโศกเศร้าเผาอุราอาอาโศกโรคข่าร้อนอโศก โยกกิ่งไกวจงต่อไปดังใจหมายได้เห็นพระรือสายผ่านมาบ้างหรืออย่างไรพระนั้นชื่อพระนนผู้เรืองรนอริกษัยเป็นผัวนางสามไวยนามนิยมธมยันตี พระองค์ทรงสวัสดิ์เป็นนิสสัตทิบบดีทูนหัวธมยันตีมาทางนี้บ้างหรือไหนพระมีผ้าห่มกึ่งปลุกกายครึ่งหนึ่งนั้นไว้อันกายหรือสายไซผิวเธออ่อนสุนทรทรง เห็นเธอบ้างหรือไม่พระทรงชัยฤทธิรงเหนื่อยยากลำบากองค์ด้นด้านป่าโออาดูลอ้าต้นอสศกใหญ่ตูข้าไซาโศกบ่อศูนปรึกษาอย่าช่วยภูนจงตัดโศกวิโยกใจ นายหญิงครับขณะนี้นายหญิงก็เปรียบเหมือนนางธมยันตีนั่นแหละครับใช่แง่ทรายฉันยอมรับตัวฉันยามนี้ไม่ผิดอะไรกับ น, นางธมยันตีหรอกธมยันตีนะ่ะเที่ยวด้นดันหาพระนนกลางป่าและดารินคนนี้ก็ดันด้นหาระพินไปกลางป่าด้วยความห่วงหาอาวอนทุกโศกอาดูลพอพอกัน ใครเล่าที่จะรู้ความจริงนี้ได้นอกจากอาโศกต้นนี้เท่านั้นฉันจะตามหาเขาจนกว่าจะพบหรือจนกว่าชีวิตตนเองจะหาไม่อโศกนี้จงเป็นพยานในคำปฏิญาณ น, นี้ด้วยเถิดขอให้สวรรค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองสตรีผู้เด็ดเดียวและมั่นคงต่อความรัก ผู้นี้ด้วยเธอดารินสัมเนียกว่ามีเสียงอํานวยพรมาให้เช่นนั้นลอยมากับกระแสลมดึกที่เป่าเส้นผมของหลอนปลิวสวยัยแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงแงซรายที่หลอนเคยจำได้ซะแล้วหากแต่เป็นเสียงที่หลอนไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเสียงนั้นกังวานอยู่รอบรอบกาย ไปย่ไปด้วยกระแสแห่งความการุนนะดารินวราฤทธิ์ยิ้มทั้งน้ำตาที่หลังรินเป็นทางค่อยๆสุดกายลงคุกเขา่าพนมมือขึ้นบูชาต้นอโศกนั้นดงทึบไม่ห่างจากตำแหน่งที่อโศกยืนต้นอยู่เข้าไปนะักบัดนี้ปรากฏกิ่งไม้ลั่นสวบสาบ พ, พร้อมกับเสียงเป่าลมพึด ดารินทหลันลุกขึ้นยืนทันทีขยับลูกเลื่อนไรเฟิรนขึ้นนกอย่างรวดเร็วตวัดพานท้ายขึ้นประทับซอกไก่ไฟฉายแน่ประกบกับกระโจมมือวาดปากระบอกปืนเข้าหาตำแหน่งที่มาของเสียงซึ่งเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนทมกลางความเงียดนั้นทันทีนิ้วแตะรออยู่ที่ไกเดล ล, ลำไฟฉายขนาดหกท่อนแบบซองสัตว์ก็พวยพุ่งจ้าออกไปในบัดดล หนึ่งในสิบของวินาทีเท่านั้นที่ดาริงยั้งนิ้วไว้ได้ทันก่อนที่จะเหนี่ยวไกลตูมออกไปสูงทะมึนใหญ่ยยโตที่แลดูเหมือนภูเขาเคลื่อนที่โผล่ออกมาจากป่าด้านหลังต้นอโศกห่างออกไปเพียงไม่ไกลนั้นชั่ววาบเดียวที่ไฟฉายส่องจักหลันจำได้ทันทีว่ามันคือเจ้าด้วนแางผู้มีสัญชาตญาณเป็นมิตรและมีความกตันยูผูกพันอยู่กับหล่อนเป็นพิเศษ เหมือนชาติก่อนจะเคยอุปถัมภ์กันมาก่อนฉะนั้นด้วนได้ลืมตาโพลงร้องทักออกไปเสียงหนักหนักอย่างตื่นเต้นลถปืนลงคุณพระช่วยนี่ฉันเกือบจะฆ่าเธอเส็แล้วทำไมถึงโผลงเงียบออกมาแบบนี้ล่ะเจ้าด้วนโผล่ออกมาครึ่งตัวจากดงไม้ที่กำบังอยู่แล้วยืนโยกกายอยู่ไปมาชูงวงขึ้นสูงเหมือนจะทักทาย แต่ก็ไม่ทำเสียงใดๆขึ้นทั้งสิ้นโบคหูวาดช้าๆไม่ผิดอะไรกับช้างบ้านอันแสนเชื่องที่มองเห็นควานประจำของมันดารินยังใจเต้นแรงอยู่เช่นนั้นเข้าเซฟไรเฟิลทันทีถือในอาการปกติแต่ยังใช้ไฟจับอยู่พลางเดินผ่านร่มเงาต้นอโศกตรงเข้าไปหามันด้วยสติและพลังใจที่เชื่อมั่นเต็มที่จนกระทั่งมาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้า ห่าแค่วาเดียวชนิดที่ตั้งงวงของมันเอื้องคว้ามาเมื่อไหร่ก็ถึงตัวเมื่อนั้นและมันก็ยังยืนไกวตัวอยู่เช่นนั้นนี่ฉันกําลังเป็นห่วงอยู่ทีเดียวว่าเธอไปอยู่ที่ไหนด้วนหลอนพูดกับมันอย่างกับว่ามันฟังภาษาคนรู้เรื่องดีล่ะที่มาป้นเปี้ยน ใ, ใกล้ๆที่พักของเราอยู่เช่นเนี้อย่าแยกโดดเดี่ยวไปตามลำพังตัวเดียวนะด้วน ไอ้พวกช้างเกเรพวกนั้นน่ะมันอาฆาตจ้องจะรุมเล่นงานเธออยู่เธอตัวเดียวนะ่ะสู้มันไม่ได้หรอกแต่ถ้าอยู่ใกล้พวกเราเกิดอะไรขึ้นเรายังช่วยกันได้ทันเพราะฉะนั้นไม่ว่าพวกเราจะเคลื่อนย้ายไปที่ไหนเธอคอยใกล้ชิดไว้เสมออย่าออกห่างเป็นอันขาดแล้วก็คอยช่วยเป็นหูเป็นตาเตือนภัยให้เราด้วยนะด้วนเจ้าด้วนทําเสียงแอออกมาจากลําคอเบาๆครั้งหนึ่งแล้วค่อยๆยื่นปลายงวงเข้ามา เกี่ยวเอวของหล่อนไว้อย่างอ่อนโยนนุ่มนวลที่สุดแต่จะแผ่วเบาสักเพียงไรก็ตามระหว่างพลังของโคจสารใหญ่กับมนุษย์สาวร่างกระจจอยร้อยนิดเดียวเมื่อเทียบอัตราส่วนกันก็ทรรมดารินส่วนเซเข้าไปเกือบประทะเข้ากับขานหน้าของมันไรเฟิลกระไฟฉายพลัดตกลงกับพื้นหญ้าราชสะกุลสาวเกาะงวงสักๆของมันไวแน่น <c oughs> เอ๊ะทำอะไรเนะ่ยเจ้า ด, ด้วเจ้าด้วนประเดี๋ยวกระดูกกระเดี่ยวฉันก็ป่นหมดเท่านั้นไม่อา้าวปลอยอย่าเล่นอย่างงี้สิหลอนร้องเร็วปรือชักใจหายใจคว่ำเหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่หลอนถูกงวงของช้างป่าตวัดรอบกายเจ้าด้วนคลายวงรัดของงวงออกเอาปลายงวงม้วนหยิบไรเฟิลก่อนจะส่งยื่นให้แกหลอนดารินรับมาอย่างตื่นตื่นงงง พอหล่อนรับปืนเสร็จมันก็เอาจังงอยของมันคลำหาไฟฉายที่ตกอยู่อีกพยายามประคองหนีบขึ้นมาจนได้แล้วก็ส่งให้หล่อนเป็นคำรบสองดารินยิ้มเต็มตื้นกอดงวงที่ห้อยอนิ่งของมันไว้ไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วสำหรับหล่อนเกี่ยวกับช้างป่าตัวนี้หล่อนวางใจได้สนิทว่ามันจงรักภักดีกับหล่อนอย่างบริสุทธิ์ด้วยอานาจบา ร, รมีของอะไรสักอย่างหนึ่ง นอกเหนือไปจากความกตัญญูรู้คุณที่หล่อนเคยให้ความเมตตาไว้กับมันอย่างเปี่ยมลน้นอาจจะเกิดจากอำนาจสัจจาอธิษฐานที่หล่อนหยิบฟ้อนยาขึ้นมาเสกเสียงทายแล้วส่งยื่นให้มันรับไปกินเมื่อเช้านี้ก่อนจะเข้าไปช่วยรักษาบาดแผลของมันก็ได้นี่ด้วนถ้าเธอพูดภาษาคนได้นะฉันก็อยากจะถามว่าขณะนี้นะ่ะระพินอยู่ที่ไหน ฉันควรจะมุ่งทางทิศใดถึงจะตามเขาได้พบโดยเร็วที่สุดแต่นี่ก็จนใจเหลือเกินเรายัางซึ้งถึงกันด้วยสัญชาติยานแห่งมิตรเท่านั้นแต่เราก็ไม่สามารถส่งภาษากันให้เข้าใจละเอียดทีท่วนได้ก็จะสารใหญ่ยืนนิ่งซึมอยู่เช่นนั้นดารินลูกคลำงวงเอาแนบแก้มแล้วก็พร่ำพูดอะไรกับมันอีกสารพัดเสียงสั่นเครือ น้ำตาของหล่อนคลอเบาต่อมาอีกครู่หนึ่งระหว่างสาวน้อยชาวกรุงกับพญาช้างป่ามหฮือมาที่ได้พบปะเสวนากันเยี่ยงมิตรสนิทใจดาริงก็ตกที่งวงนั้นพร้อมกับตัดใจบอกว่าไปเถอะด่วนแต่อย่าไปไกลนะอยู่แถกแถวนี้แหละดึกเันทีแล้วฉันก็จะกลับไปนอนเหมือนกันกล่าวจบหลอนก็หันหลังกลับ แต่แล้วก็ต้องชะงักทันทีเพราะปลายงวงเกาะเอวหล่อนไว้อีกทาให้ต้องหันกลับมามองด้วยความแปลกใจอ้าวทำไมล่ะมีอะไรอีกเหรอด้วนเจ้าด้วนค่อยๆ ค, ยคูเข่าหน้าลงก่อนร่างอันสูงใหญ่นั้นลดต่ําลงแล้วก็ย่อขาหลังต่อมาก็กลายเป็นหมอบราบอยู่กับพื้นใช้งวงเขี่ยดารินเข้าไปใกล้ศีรษะ อาการบ่งชัดว่ามันประสงค์ที่จะให้หล่อนขึ้นไปอยู่บนคอครั้งแรกหล่อนยังไม่เข้าใจอาการนั้นนักหลอึดใจของการสังเกตดูวกับกิริยาและพยายามอ่านรหัสจึงรู้ได้ตายแล้วในด้วนนี่เธอเจ้าชันไปไหนกันนี่มันมืดค่ำดึกดื่นแล้วนะดูดูนี่จะงัดฉันด้หกกะเมนไปได้ยังไง เจ้าด้วนไม่ฟังเสียงร้องละล่ําละลักของดารินพยายามใช้งวงงัดเสยชูหล่อนให้ถลไยขึ้นไปบนส่วนศรีรษะของมันให้ได้ดารินพลิกคว่ำพลิกงายดินคลุกคลักอยู่ระหว่างซอกขาหน้าของมันนั่นเองเพราะไม่ยอมไต่ขึ้นตามที่มันประสงค์จะผละออกเดินหนีก็ไปไม่ได้เพราะไม่พ้นรัศมีงวงที่คอยเหนี่ยวดึงยึดหล่อนไว้ในที่สุดราชสกุลสาวก็ต้องยอมจำนน ยอมเสี่ยงเอาละเอาอยัางไงก็เอากันด้วยการพัดพลาดจากกระพินน่ะเป็นเคราะห์มหันย์อยู่แล้วไปกับเธอฉันจะได้รับเคราะห์อีกอยังไงก็มันรู้ไปเธอคงอยากจะพาฉันไปที่ไหนสักแห่งใช่ไหมไรเฟิลสปายไหล่ไฟฉายนั้นก็มีสายสําหรับสปายด้วยเช่นกันหล่อนคล้องไว้กันตกแล้วก้าวขึ้นเหยียบโคนงาไปยิงขึ้นไปบนโคนงวง จะด่วนรอให้หล่อนทรงตัวบนโคนงวงได้ถนัดก็ค่อยๆงัดเสยงวงขึ้นเหมือนผลักส่งดารินมาาฤิตก็ผ่านสีสางอันกว้างใหญ่ของมันขึ้นไปนั่งคล่อมอยู่บนคออย่างมั่นคงอาศัยจากความคุ้นเคยที่หล่อนเคยขึ้นคอช้างในอินเดียมาก่อนบ้างแล้วในการท่องเที่ยวป่ากับเพื่อนๆที่เป็นทายาทของมหาราชาบางองค์ รากระช้างบ้านที่ได้รับการฝึกปลือมาแล้วเป็นอย่างดีพอแน่ใจว่ามนุษย์สาวน้อยที่มันแสนรักขึ้นไปอยู่บนคอเรียบร้อยเจ้าด้วนก็ค่อยๆพยุงกายขึ้นยืนร่างของมันร่างของหล่อนบนคอมันก็ลอยพัา ง, งาดอยู่เหนือป่าทันทีมันเริ่มหมุนตัวกลับเดินฝ่าทุ่งหญ้าคาและละเมอไม้ายหน้าไปทางด้านเหนือท่ามกลางแสงสลัวรางของจันรแรม ที่ลอยอยู่เกือบจะกึ่งกลางฟ้าโดยอ้อมอาณาบริเวณของหมู่บ้านซับบอนขึ้นไปดารินนั่งไปบนคอของมันอย่างสงบไม่แน่ใจว่าเจ้าด้วนจะนำหลอนไปไหนแต่สังเกตดูจากการย่างเยื้องเดินของมันเป็นไปอย่างแช่มช้าประคับประคองไม่เร่งด่วนอะไรทั้งสิ้นหลอนมั่นใจประการเดียวว่าถ้าเกิดจาเป็นขึ้นมาจริงๆหรือว่า เจ้าดวนจะพาหลอนเลิดเปิดเปิงชนิดไรจุดหมายแน่นอนไปไกลเกินรัศมีน่าจะไม่ไว้วางใจหลอนก็จะบังคับให้มันนำกลับมาส่งที่เก่าได้สัญชาตญาณของหลอนบอกกับตนเองเช่นนั้นจึงไม่วิตกพรั่นใจใดๆทั้งสิ้นร่างของหลอนไวด้ดุมดุมตามสภาพการเดินของเจ้าด้วนไฟฉายก็เริ่มกราดส่องสังเกตดูภูมิประเทศไปรอบๆ ไร่เฟิ่นที่สภายอยู่ปลดลงมาพาดอยู่บนปักดารินวราริทยามนี้เปรียบไม่ผิดอะไรกับราชินีแห่งป่าหล่อนกล้าหรือจะเรียกว่าบ้าระหังเกินกว่าพี่ๆและเพื่อนตลอดจนผู้ร่วมคณะทุกคนซึ่งกำลังนอนหลับอยู่ในแคมป์ขณะนี้จะคาดคิดไปถึงขึ้นคอช้างป่าบุกเข้าไปในโดงทึกท่ามกลางราตรีเงียบสงบตามลาพังคนเดียว ไม่รู้ด้วยว่ามันจะพาหล่อนไปไหนรู้อย่างเดียวว่ามันไม่ทิ้งหล่อนและหล่อนก็จะไม่ทิ้งมันช้างใหญ่นำหล่อนผู้บตดนี้เปรียบเสมือนนายสาวของมันมุ่งเข้าหาทาน้ำสายที่ไหลผ่านบริเวณหมู่บ้านซับบอลแล้วเลาะเรียบถวนน้ำขึ้นไปโดยพยายามหลีกลุกจากพงไม้ทึบและเถาวัน ป้องกันไม่ให้ผู้ที่อยู่บนคอของมันถูกกิ่งไม้เกี่ยวกระทบตกลงมาอาการของเจ้าด้วนทั้งฉลาดและสุภาพยิ่งถึงเช่นนั้นก็ตามดารินก็ยังต้องคอยกม้มศีรษะหลบกิ่งไม้อยู่ตลอดเวลาและร้องเตือนให้มันเดินไปตามเส้นทางที่ไม่รกชัดเกินไปนักไกลที่พักแรมของพรรคพวกซึ่งขณะนี้ กำลังนอนหลับกันอยู่ออกไปเป็นลำดับนั่นคือเสียงแผดแหลมกึกก้องสะท้านไปทั่วบรรยากาศอันเงียบสงดยามราตรีของกระสุนจุดสูสูเวเธอร์บีแมกนัมดังหนักหน่วงแทรกมาตามคลื่นอากาศอันหนักข้นหนาวเยือกเชิดาอนุชาและชัยยันลุกพรวดพร้อมกันหมดราวกันนัดกันไว้ แล้วใครคนหนึ่งในจำนวนนั้นซึ่งดูเหมือนจะเป็นชายยันก็ร้องออกมาว่าเฮ้ยอะไรกันนี่เสียงปืนนี่วะหรือว่าหูฉันฝาดไปอนุชาหรือพรานชดคว้าได้ปืนประจำมือเพ็นพรวดออกไปพร้อมกับไฟฉายเป็นคนแรกเดินเบิกตาโพลงส่องไฟฉายไปรอบๆเชิดถายังนั่งขมวดคิ้วอยู่แต่ปืนก็เข้ามาอยู่ในมือแล้วพี่ชายใหญ่ของคณะมีอาการมืนงงคับท้ายคับคา ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเสียงเปิงจริงๆหรือว่าฝันไปแบบเดียวกับชยันเช่นกันน้อยน้อยน้อยอยู่ไหนเสียงอนุชาตะโกนลั่นฉายไฟปราดไปยังกองไฟที่ก่อไว้อันจำได้ว่าครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้านอนนั้นเห็นน้องสาวนั่งอยู่ตรงตำแหน่งนั้นนานอินขยินที่นอนกันอยู่คนละทิศรอบแคมรวมทั้งพวกลูกหาบทั้งหมดก็ฮือกันเข้ามา สรงเสียงสอบถามกันเอะอาจ่าละวันไปหมดเสียงปืนนายนั่นใครสัตว์เขาให้แล้วนั้นอินผู้เล่นหน้าเลิกลักเข้ามารวมกลุ่มร้องลั่นออกมาก่อนระหว่างที่อนุชาทถลังเข้าไปยังขอนไม้ที่เคยเห็นน้องสาวนั่งอยู่แล้วหมุนตัวอย่างรวดเร็วสัสาดไฟใายใไปรอบๆด้านเชตาดกบชายันก็มองลงไปยังบริเวณที่นอนอันยังว่างเว้นอยู่ ซึ่งควรจะเป็นตำแหน่งที่นอนของดารินก็พบว่าว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของน้องสาวคนเล็กจะเข้ามานอนเลยนอกจากไปหลังประจำตัวยังวางอยู่ณตำแหน่งที่นอนแห่งนั้นเมื่อนั้นเองทั้งเชษฐาและชัยยันก็กระโจนออกจากที่นอนตรงเข้าไปยังกลุ่มของอนุชาขยินและหนานอินและพวกลูกหาบที่กาลังยืนออกันอยู่ไม่เพียงแต่เท่านั้น ยังมีเสียงร้องตะโกนถามโวกเวกมาจากเรือนพักของพวกกระเรียงซับบอนที่ไม่ห่างออกไปนักเพราะพวกนั้นก็ตื่นขึ้นด้วยเสียงปืนเหมือนกันน้อยน้อยหายไปแล้วครับพี่ใหญ่น้อยหายไปแล้วอนุชาพูดเร็วปรือและล่ําละลักกระสับกระสายเต็มที่ครั้งสุดท้ายน้อยนั่งอยู่ที่ขอนไม้ตรงนี้แหละบอกว่าเดี๋ยวจะตามเขาไปผมก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกคิดว่าสักครู่คงจะตามก็ไปนอนเอง ตัวผมผลังถึงพื้นก็หลับไปเลยแต่ที่ได้ยินพวกเราปืนขึ้นนาก็นี่มันเสียงไรเฟิลแน่แน่แล้วน้อยก็หายไปเพราะปืนประจำตัวแล้วก็ไฟฉายเท่านั้นบะอะไรกันนี่ยุ่งแล้วสิเชษฐาอุทานออกมาหน้าเครียดชายันก็ร้องถามมายังนานอินขยินและกลุ่มลูกหาบว่านี่พวกเราใครเห็นหนายหญิงบางครั้งสุดท้ายบ้างทุกคนหน้าซีดเผือน มองกันเองลอกแลกไม่มีใครเอ่ยคำใดออกมาในขนาด น, นั้นเพราะแต่ละคนก็ไม่ได้สนใจอะไรมาก่อนที่จะเข้าพักนอนเลยและแล้วก่อนที่ใครจะพูดกันเช่นไรต่อไปนั่นเองเสียงอีกเงหนึ่งก็งงัเรียนจับมาจากที่ใดที่หนึ่งในละแวกใกล้เคียงฟังว่าไม่ห่างออกไปเท่าใดนักทุกคนสะดุ้งสุดตัวเชษฐาอนุชาชัยยัน ร้องมาเป็นเสียงเดียวกันว่านอยส่วนพวกพื้นเมืองตะโกนมาว่านายหญิงนั่นเสียงปืนจากนายหญิงแน่แน่ภาวะเช่นนี้เรียกได้ว่าภาวะ า, าวาและพล่านกันไปหมดทั้งบริเวณแคมป์พักนอนนายบ้านซับบอลและกระเหรี่ยงชะกันอีกหมู่หนึ่งสามี่คนก็วิ่งพรวดมาสมทบอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราวใดๆทั้งสิน้นในมือก็มีปืนแก๊บ้างดาบบ้าง ถากันเสียงลงเลงแสกไปหมดฟังไม่ได้สับไม่ใช่ว่าทุกคนจะหูฝาดหรือฝันไปเสีแล้วเพราะนัดที่สองนันดังชนิดแสบแก้วหูทีเดียวนั้นอินเอียงหูจับที่มาของกำบนาากระสุนที่ยังกลางวานซาไปทั้งราวป่าแล้วชี้มือพรดไปทางด้านเหนือของหมู่บ้านดังมาทางด้านนี้แน่นายเอ๊ะแล้วก็นายยิงยิงอะไรออกแล้วออกไปไหนนี่คนเดียวอย่างนี้ในเวลานี้ด้วยใช่แล้ว ดังมาจากลำห้วยเหนือหมู่บ้านตรงที่นายรพินเคยวางปางทักอยู่นั่นแหละโวหน้าหมู่บ้านซับบอนตาลีตาเหลือกบอกเสือมไม่อีกค น, นถึงตอนนี้อนิชาไม่รอชาอีกแล้วหันไปตะโกนสั่งความกระหนอินและกระเรียงซับบอลพร้อมกับก้าวทร้วทร้วออกไปทันทีบื้องกระไฟฉายในมือพร้อมพวกนั้นขยับวิ่งพรูตามไปด้วยเป็นพรวนเชื่ท้าสติดีและรอบค้อเป็นนิสัยเดิมอยู่แล้วกระโดดเข้าขวางหน้าน้องชายพร้อมกับร้องว่า เดี๋ยวอย่าเพิ่งเดินทรงเดรรไว้ก่อนสิแต่เดี๋ยวได้ตามติดติด ท, ท, ท, ทางหรอกตำรวเปิดบอลกับคนละด้านเท่า น, นั้นเองเสียงปืนใน ป, ป่าน่ะมันหลอกหูเชื่ออะไรยังไม่ได้นักหรอกชยันเดวไปตรวจดูฝ่ายหลังของน้อยสินอกจากปืนกับไฟฉายที่หายไปมีวิทยุติดตัวไปด้วยหรือเปล่าทุกคนที่กําลังจะออกติดตามเสียงปืนโดยยังไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆทั้งสิน้นนอกจากความร้อนใจและความเป็นห่วง พากัรชงักลงชั่วขณะชั ย, ยันกระโจนกลับเข้าไปยังบริเวณพักนอนทันทีชุดตัวลงตรวจหาตามไป้หลังของมอมราชวงศ์หญิงดารินกับพื้นพลาสติกใต้เคียงแล้วร้องบอกมาโดยเร็ววิทยุของน้อยไม่ได้ติดจุดที่เป้หลังหรือแถวนี้หรอกฉันจำได้ว่าเขาเหน็ตประจําไว้กับเข็มขัดตลอดเวลาเชื่อว่าคงติดตัวไปด้วยล่อะอะเราเรียกวิทยุเร็วนยมีวิทยุประตําตัวด้วยแน่แน่ คุณชายใหญ่กระชากวิทยุมือถือที่มีปลอกหรือซองหนังติดเข็มขัดขึ้นมาเปิดสวิตแล้วกดปุ่มเรียกทีๆซึ่งาวิทยุแบบเดียวกันนี้มีติดตัวดารินอยู่มันก็จะปรากฏออดสัญญาณเรียกขึ้นทันทีแล้วกรอกคำพูดหนักๆลงไปน้อยนี่พี่ใหญ่พูดนะได้ยินหรือเปล่าได้ยินแล้วตอบด่วนตอบด่วนทุกคนเงียบกริบเมื่อเชษฐทาหยุดพูดเพื่อรอฟังคาตอบ แทบไม่มีใครหายใจในขณะ น, นี้นอกจากจ้องเขม็งไปที่วิทยุในมือของเชษฐาเป็นตาเดียวเข็มวินาทีกระดิผ่านไปเรื่อยๆสิบวินาทีเข้าไปแล้วยังเงียบสงบไม่มีเสียงใดๆแวดตอบมาจากวิทยุในมือของเชตฐาเลยชายันระเบิดความร้อนรุ่มกระสับกระส่ายสุดขีดขึ้นมาว่าวะถ้าจะไม่ได้การจะแล้วทุกคนไหวตัวอีกครั้ง แต่แล้วทันทีนั้นก็มีเสียงตังวานใสชัดเจนของดารินแวววมาจากลำโพงวิทยุมือถือในมือของเชษฐาน้อยพูดค่ะพี่ใหญ่น้อยพูดเองน้อยเชษฐาแทบจะตะโกนลั่นออกมาอย่างยินดีทุกคนหูพึ่งชะงักกี่ครั้งเสียงคุณชายใหญ่ซอยเร็วปรือนี่น้อยอยู่ไหนแล้วยิงไงสองนาตะ ก, กี้เนี่ไปไงมาไงกัน อยู่ๆก็หายไปจากแคมป์เฉยๆแบบนี้พวกเราตกใจกันจะแย่อยู่แล้วตื่นก็มหมดทั้งแคมป์เลยเสียงเงียบไปกึ่งอึดใจก็ตอบในน้ำเสียงเดิมมาว่าพี่ใหญ่คะขณะนี้น้อยอยู่บริเวณลำธารด้านเหนือของหมู่บ้านซับบอล น, นะคะห่างมาประมาณไม่เกินสา0รอเมตรเท่านั้นเองที่ยิงตะกี้เป็นเสือใหญ่สองตัวกำลังรุมแทะ สากช้างเน่าเก่าแก่ประมาณเจ็ดแปดวันตัวหนึง่งก็ไม่ตั้งใจจะยิงหรอกค่ะแต่พบกันกระทันหันมันทำท่าจะชาร์จก็เลยจำเป็นทาที่ไปตัวหนึ่งตอนนัดแรกนะค่ะแต่นัดที่สองรู้สึกจะผิดแล้วมันก็เพ่นหนีไปละเป็นคําตอบอย่างสามัญธรรมดาที่สุดทำเอาคณะพักทุกคนหน้าตาเลิกหลักกันไปหมดโดยไม่สามารถเข้าใจอะไรได้ในขณะนี้ แล้วตัวเราอะขนาดนี้เรียบร้อยดีเปล่าพี่ชายกลางร้องถามสวนขึ้นค่ะเรียบร้อยดีค่ะพี่กลางไม่มีอะไรทุกคนไม่ต้องห่วงหรอกน้อยมาพบบริเวณอันเป็นที่พักแรมของรพินกนายจ้างพวกนั้นแล้วอีกไม่เกินสิบนาทีนี่จะกลับแคมป์แล้วค่ะบ้าบ้าละบ้าที่สุดเลยยายน้อยเนี่ยบ้าจริงๆอนุชาวราริตตวาดลั่นเข้าเครื่องรับส่งวิทยุในมือของเจษฐา มันเรื่องอะไรดึกเดินป่านี้ถ้าดันเดินบุกไปในป่าแบบเนี้ยไม่บอกพวกเรารู้เลยแล้วก็ดาันไปคนเดียวเสด้วยได้ยินเสียงปืนตื่นพรวดพราดขึ้นมามองไม่เห็นตัวทุกคนทางนี้ใจหายใจคว่มไปหมดรู้เปล่าขอโทษค่ะขอโทษพี่ใหญ่พี่กลางแล้วก็ทุกทกคนที่ทำไม่ต้องตกใจหลนตอบมาเสียงราบเรียบเหมือนเดิมนี่น้อย ฟังนะข้านี้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละอยากเคลื่อนไหวไปไหนอีกเลยโดยเด็ดขาดพวกเราจะออกตามไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมพี่ชายใหญ่พูดเสียงเครียดขึ้นกน้อยบอกว่าน้อยจะกลับเดี๋ยวนี้ไงคะยังไม่ต้องกลับไม่ต้องเคลื่อนไหวไปไหนทั้งสิ้นรออยู่ตรงนั้นพวกเราจะไปตามเองชายันชะ ง, งกหน้าเข้ามา โกนพูดกับวิทยุอยากมือเชิดถ่ายอีกคนตามใจทุกคนจะตามมาที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ได้จะรอดีเหมือนกั น, นจะได้มาเห็นตำแหน่งที่พักของดารินภายในของรพินภายในคืนนี้ซะเลยเดีย๋ยวบอกให้รู้ล่วงหน้าก่อนนะเวลาเดินมาแล้วถ้าไฟฉายไฟเห็นช้างอย่ายุ่นยากยิงก็มาเป็นขาดนะเพราะมันคือเจ้าด้วนไม่ใช่ช้างอื่นไฟ หมายคามว่าอะไรเฟยนี่แปลว่าเธอไปไกลด้วยเลยใช่ฉันมากับเจ้าด่วนมันนํ า, นาฉันมาที่นี่เองในระหว่างที่ทุกคนหล่ะเอาละอย่ามวัวแต่โวยวายอยู่เลยใครจะมาก็เชิญมาได้ระยะมันก็แค่แค่นี้เองฉันจะรอแต่ถ้าเห็นว่าไม่จําเป็นฉันก็จะกลับไปเองเขาเวลาเดินตรวจดูร่องรองร อ, งร อ, งอีกเดี๋ยวเดียวเท่า น, นั้นแหละรออยู่ที่นั่นแหละน้อย เดี๋ยวเราทุกคนจะไปถึงที่นั่นเดี๋ยวนี้เชื่ถาว่าอนุชาก็หันไปสั่งการกะเหรี่ยงนายบ้านซับบอลทันทีเพื่อทําหน้าที่นําทางไปยังตําแหน่งที่น้องสาวควรจะอยู่ในขณะนี้พวกกะเหรี่ยงชะกันสามสี่คนที่เข้ามายืนมุงอยู่ก็รุดออกนําทันทีทุกคนก็ผ่านหมู่บ้านตัดเข้าเส้นทางในป่าเลียบริมลําธารไปทั้งกระบวนยกเว้นแต่พวกลูกหาบเท่านั้นที่ให้อยู่เฝ้าแคมป์ ไฟฉายหลายดวงสา์สว่างเป็นลำพวยพุ่งออกไปต่างเดินกันอย่างเร่งด่วนและบ่นกันพึมเพราะยังไม่อาจทราบสาเหตุได้แน่ชัดว่าจูจูดารินก็บุกป่าหายไปกลางดึกลำพังคนเดียวโดยไม่ยอมบอกให้ใครรู้เลยและไม่เข้าใจว่าช้างป่าที่ชื่อเจ้าด้วนตัวนั้นมาชักนำหล่อนไปได้อย่างไงโดยการนาของกเรี่ยงปีผู้รู้เป้าหมายดีอยู่แล้ว และระยะมันก็ไม่ได้ห่างไกลอะไรมากนะักจึงชั่วพักเดียวไม่ทันเหนื่อยจากการจำ้ำกันอย่างแข่งเวลาทั้งหมดก็มาถึงบริเวณที่ราบโลง่งชัยภูมิเหมาะเหนือฝั่งทานตำแหน่งหนึ่งจากลำไฟฉายหลายดวงที่สาดเ จ, จ้าออไปทุกคนมองเห็นดารินวราฤทธ์ยืนถือไรเฟิลอยู่เดียวดายส่วนไฟฉายก็กาลังส่องตรวจดูบริเวณภูราาของต้นไม้ใหญ่ ขณะนั้นทุกคนมองไม่เห็นวี่แววของไอ้ด้วนเลยมีแต่เฉพาะราชสกุลสาวน้องเล็กของตระกูลเพียงคนเดียวเท่านั้นดูล่อนจะไม่ได้สนใจอะไรกับการติดตามอย่างเร่งด่วนของพรกพวกเห็นคนเหล่านั้นเลี้ยวผ่านพุ่มไม้ของทางด่านเข้ามาก็หันมาโบกมือให้นิดนึงแล้วส่องไฟดูกับพื้นไปรอบๆตามเดิมอนุชาริพลันชดกลากเข้ามาถึงก่อ น, นทุกคน คว้าแข น, น้องสาวกระชาตกยังเดือดดานถุนเฉียวจะหลอนเซ่คำรามออกมาว่าฮน้อยนะน้อยทำเรื่องยุ่งซะแล้วมันน่านะดันบุกก็ามาถึงที่นี่ได้ยังไงเวลานี้ด่ารินสะบัดแขนพี่ชายกลางออกแล้วผลักอกยิ้มแข็งๆนี่ไม่ได้ใช้ให้ตามมานะอยากตา ม, มาเองทำไมแล้วก็อย่ามาทําวางอานาจฉันไม่ย่านนายหรอกในกลาง าโมโหขีดสุดทำให้พี่ชายกลางเนื้อกำตั้นขึ้นแต่พี่ชายใหญ่คว้ามือไว้ก่อนรังน้องชายผู้กำลังหัวฟัดหัวเวียงออกมาเสตัวเองก้าวเข้ามาหยุดยืนจ้องหน้าน้องสาวคนเล็กแววตาของอดีตทหารทหารผู้ทหารบกขึงส่อแววไม่พอใจนะักนี่ยิ่งจะไปเถียงพี่เขาอีกน้อยเรานี่จะบ้าบอคอแตกใหญ่แล้ว ถ้ไม่คิดว่าโตเป็นสาวจนจะแก่ถึงป่านนี้ก็จะจับฝ้าเสหลังลายทีเดียวไหนที่ว่ามากับเจ้าด้วนเน่ะเจ้าด้วงเธออยู่ไหนหญิงสาวหน้าแห้งสลรลงบ่อนเกรงพี่ชายคนโตมากกว่าพี่ชายคนกลางหลายเท่าและสายตาของเขาขณะนี้ก็แสดงว่าโกรธจัดทําให้หงอลงทันทีเจ้าด้วนมันก็หลบไปหลังซุ้มไม้นั่นแหะคะ่ะ ก็ตั้งแต่ได้ยินเสียงพวกพี่ใหญ่บุกเสืบสาบเข้ามาแล้วล่ะหลอนบอกเสียงอ่อยๆแล้วหันหน้าไปตะโกนเรียกเจ้าด้วนซึ่งก็ปรากฏเสียงเหมือนจะร้องขานให้ออกมาแอ้นะึงแม้จะเบาๆก็แทบจะทำเอาทุกคนสะดุ้งผวาโดยเฉพาะพวกกระเหรี่ยงซับบอนเพราะทุกคนยืนมองจ้องหลอนนิ่งกันไปชั่วขณะดารินจึงฉายไฟให้ดูที่พื้นแล้วบอกแกเกอว่า นี่ไงคะที่รพินพาพวกนั้นมาพักแรมโดยไม่ได้แวะเข้าไปในเขตของหมู่บ้านมีรอยก่อกองไฟไว้หลายกองเศษเครื่องกระป๋องจากเลชั่นก้นบุรีปลอกกระสุนตลอดจนรอยตัดไม้และพยานหลักฐานอื่นๆของการมาพักครบถ้วนของคนหมู่มากส่วนข้ามลำธารไปฝากโนนก็มีซากช้างใหญ่ถูกยิงล้มลงคงเป็นตัวเดียวกับที่พวกซับบอนบอกว่าได้มาแร่เนื้อไปบ้างแล้ว แต่ก็เอาไปได้ไม่หมดเน่าจนจะโทมอยู่แล้วนี่ไม่ใช่ประคุนทุนหัวไอเรื่องที่เธอมาค้นพบที่แพกของเราพินเข้านี่นะมันไม่ใช่เรื่องสำคัญหรืออัศจรรย์อะไรสาหรับเรานักหรอกก็ในบ้านซับบอนก็บอกพวกเราแล้วว่าพรุ่งนี้ก็จะพามาดูไอเรื่องที่เรางงและปวดกันโหลกอยู่ในขณะ น, นี้เดือดร้อนกันไปหมดทุกคนก็คือก็มันเรื่องอะไร ที่เธออุตส่าห์เดินค้นหาที่พักของเราพีในเวลานี้ถ้าไม่บ้ากับเมาอะช้ยันสวดมาอีกคนแต่น้ำเสียงไม่กล้าแข็งดุดันอะไรนะเขาพูดกลัวไปกระตารหัวเราะผิดกับอนุชาซึ่งโกรธน้องสาวจนหน้าเขียวไม่ยอมพูดจาอะไรด้วยอีกนอกจากยืนอัดบุหรี่หนักๆจ้องหน้าเฉยดาริงยักษไหลของหัวเราะกร่อยๆอยู่เช่นนั้นเอาลนะ ใครจะด่ายังไงก็เชิญยอมรับผิดก็บอกได้ยังไงขอโทษที่ทำให้ทุกคนตกใจนี่เธอยังไม่บอกพี่เลยนะว่าเธอมาถึงที่นี่ได้ยังไงในอธิบายชัดเจนสิน้อยเชิดาเข้นสอบสวนทันทีโดยไม่สนใจกับตำแหน่งพักแรมของรพินซึ่งทุกคนยืนอยู่ในขณะ น, นี้เพราะนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญดารินถอนใจย า, ยยาว ก็เจ้าด้วนมันโผล่กมาจากป่าริมแคมป์ที่พักของเรางี่เงียบแ่าพี่ใหญ่ขณะที่น้อยเดินเกรรับลมอยู่ใกล้ๆแคมป์อ่ะหั่อนจำใจต้องบอกตามจริงไปชนิดไม่เต็มปากเต็มคำนักมันก็มีอาการเหมือนจะเข้ามาหาน้อยแล้วก็บอกความอะไรกับน้อยสักอย่างอย่างนั้นแหละที่แรกน้อยก็ตกใจใช้ไฟเห็นเกือบจะยิงให้แล้วดีว่าจำมันได้ก็เลยเดินเข้าไปหามัน แล้วแล้วมันก็ซุดตัวลงหมอบเอางูวงพยายามคว้าน้อยไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็ก็เลยขึ้นคอมันแล้วมันก็พาน้อยเดินมาที่นี่แหละหาวังไงนะเธอได้เหรอขี้คอยด้วนนี่มาเชิฐานกะชัยยันลืมตาโพล่ร้องมาเป็นเสียงเดียวกันจริงๆค่ะมันจัดน้อยขึ้นมาอยู่บนคอมันเดี๋ยวพามาตรงนี้แหละ ทุกคนที่ได้ฟังโดยเฉพาะเชษดถากระชัยยันทำท่ามันจะเป็นลมนโมสังโฆมันจะเป็นไปนได้ยังไงกันไอ้ด้วนเอาเธอขึ้นคอพาเดินมาดูที่ระพินเคยพักแรนอยู่อย่างเงี้ยนะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจเธอคะ่ะแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่อย่างนั้นน้อยก็คงไม่กล้ามาหรอกดารินพูดอึบอิบ เอาละครับพีใหญ่ตามตัวพบแล้วจะสอบถามว่ายังไงก็เชิญเนี่ผมกลับก่อนน่ะนี่ถ้ารู้เสีต่แรกว่าเขาปลอดภัยเรียบร้อยดีผมไม่ออกมาตามไม่เสียเวลาหรอกนอนดีกว่าอนุชาริชาญพศบอกมาหวนหวน่วแล้วหมุนตัวกลับตั้งท่าจะเดินกลับแทมลำพังคนเดียวโดยไม่สนใจอะไรอีกเพราะความโมหูน้องสาวชา ย, ยันคว้าไหลกระชากไว เดี๋ยวก่อนสิในกลางทำเมโมโหโถสูไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับพร้อมๆกันเมื่อ น, นั้นอนุชาจึงจำใจต้องยืนรวมกลุ่มอยู่ด้วยแต่หน้าบึง้งหนางอไม่พูดไรทั้งสิน้นเท้าโครงสีสัจช้าชา้าเมื่อพิจารณาดูน้องสาวคนสวยคราหลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะกลางป่าลึกเวลากลางคืนด้วย อยู่ในแคมดีๆก็แอบหนีออกมาซะเฉยๆอย่างนั้นแหละอย่าคิดว่าตัวเองจะเก่งกาจสักขนาดไหนอย่าว่าแต่น้อยเลยต่อให้พี่ฤชัยยันก็ตามถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วก็จะไม่กล้าทำอย่างที่น้อยทำในคืนนี้อย่างเด็ดขาดนี่ยังไงที่ว่ายิงเสือยิงไว้ตรงไหนหล่นชี้มือไปทางลำธารฝั่งตรงข้ามในพงทึบตรงน้นค่ะพี่ใหญ่ที่ซากช้าง จะด่วนพาน้อยเดินมาถึงนี่มันก็แสดงอาการฟุดฟัดดูร้ายเอางวงถอนตอไม้ขนาดขาอ่อนขึ้นมาแกวงพอดีน้อยได้ยินเสียงคำรามฉายไฟไปก็พบลูกตาสองคู่พอดีกำลังอ้าปากแยกเขี้ยวอยู่ก็เลยต้องยิงนั้นอินกับกระเหรี่ยงซับบอลพากันไต่โขดหินในลำธารข้ามไปอีกฝากหนึ่งทันทีตามที่หล่อนชี้บอกพร้อมกับฉายไฟค้นหาอึดใจเดียว คร pues ูพรานผู้เฒ่าก็ตะโกนออกมาว่านายนายหญิงยิงไอ้ลายกระสุนพากะโหลกพอดีฟุบยุคาซากช้างเน่าตรงนี้เองตัวเบะเลยสีคนหามก็เห็นจยหลังแอแล้วนายเชษฐถาคงจ้องหน้าน้องสาวตาไม่กระพริบอยู่เช่นนั้นยิงยังไงน้อยยิงบนหลังไอ้ด้วนนั้นเหรอ มอนนั้นเจ้าด้วนพาข้ามทานน้ำไปได้ครึ่งนนหนึ่งแล้วหยุดยืนนิ่งเพราะมันชะงักกับเสียงคำรามของเสือ่ะเอาละยิงตัวหนึ่งคาที่ไปแล้วอีกตัวหนึ่งล่ะเสียงกระสุนนัดที่สองมันลั่นขึ้นห่างจากนัดแรกร่วมสองสามนาทีถึงแม้จะมีเสืออยู่สองตัวตัวหนึ่งคว่าไปก่อนแล้วอีกตัวหนึ่งไม่เผ่นหรือสวนทันทีหรอกเลยทาไมระยะเวลา ย, ยิงถึงห่างกันมากเช่นนั้นอะ ใชยันซักอย่างสงสัยค่ะตัวหนึ่งซุดอีกตัวหนึ่งมันแผ่นหลบเข้าหลังพุ่มไม้ตามหลักมันควรจะแผ่นหนีไปแล้วละ่ะแต่ปรกากฏว่ามันไปตะกุยดินสงสัยคำรางอยู่ตรงนั้นมันคงจะหิวมากแล้วก็ไม่ยอมลกจากเหยื่อไปง่ายๆน้อยก็รอจังหวะที่มันจะกระโจนออกมาจ้องปืนระวังอยู่แต่มันก็ไมปให้เห็นก็เลยยิงสุ่มๆเข้าไปอีกนัดนึง นัดหลังนี่แหละทำให้มันแผ่นหนีไปอาจจะถูกที่ไม่สำคัญหรืออาจจะไม่ถูกเลยก็ได้จังหวะการยิงจึงเว้นท่าระยะห่างกันออกไปตอนยิงนัดที่สองนะเกือบตกจากคอเจ้าด้วนใช่แล้วเพราะเจ้าด้วนมันบุกไล่ตามขึ้นไปฝั่งโน้นชนิดพรวดพราแทบจะรังไว้ไม่อยู่เชษถาถอนใจเฮือกอีกครั้งเฮ้ออะไรนะที่ทาให้น้อยกล้าอย่างบ้าดีเดือดแล้วก็ไรเหตุผลแบบนี้ ความรักไงความรักทำใม้คนตาบอดคลุ้มค้า่งแล้วก็ร้ายเหตุผลอย่างเงี้ยครับพี่ใหญ่ไม่ได้พบตัวก็ขอให้พบเศษวัสดุหรือรอยเท้าก็ยังดีแล้วไปยังไงตรวจหาตำแหน่งที่นอนของรพินพบแล้วยังถ้าพบคืนนี้จะย้ายจากแคมป์นอนมานอนตรงตำแหน่งที่ยอดชายนายรพินเคยนอนกอดแหม่มผมทองหรือผมแดงก็เชิญนะไม่คาดล็อกอนุชาพเพิ่งจะพลุ่งออกมาได้เป็นประโยคแรก ภายหลังจากเงียบอยู่นานทุกคนแม้แต่ผู้พูดเองแน่ใจว่าจะได้รับการสวนตอบที่รุนแรงเผ็ดร้อนพอๆกันแต่ตรงข้ามน้องสาวเล็กของตระกูลกลับตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาน่าสงสารที่สุดขณะที่สั่นหน้าไปมาไม่ค่ะไม่อย่างเด็ดขาดและพินจะไม่กอดผู้หญิงคนไหน นอกจากน้อยคนเดียวเท่านั้นคำพูดชนิดนั้นทำเอาพี่ชายทั้งสองและเพื่อนชายนิ่งงันกันไปอนุชาหายโกรธเดินเข้ามากอดไหลน้องสาวไว้พยักหน้าบอกว่าไปกลับไปนอนแคมเราเถอะพรุ่งนี้ก็มาดูที่นี่ใหม่กลางคืนเห็นอะไรไม่ชัดหรอกไปไปกลับกลับกลับดารินก้มหน้าซ่อนน้ําตาเงียบกริบ หล่อนไม่อยากบอกใครทั้งสิ้นว่าหล่อนเห็นอะไรภายในบริเวณอันเคยเป็นที่พักของระพินตำแหน่งนี้อีกบ้างนอกเหนือไปจากเศษวัสดุหลักฐานอื่นๆของการมาพักแล้วก็คิดว่าไม่จำเป็นจะต้องบอกเก็บรู้ไว้ในใจคนเดียวเท่านั้นสิ่งนั้นก็คือบริเวณภูรากไม้ใหญ่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 ว่าจะขอรักไปทุกชาติทุกภพก็จะใครซะอีกละ่ะที่จะสลักข้อความลุงรากไม้ไว้เช่นนี้ถ้าไม่ใช่เขาคนนั้นระพินไพรวันนันอินกับกระเรียงซับบอลที่ข้ามฝั่งไปดูซากเสือโคร่งที่ดารินยิงฟุบคาซากช้างนาวเอาไว้กลับมาแล้ว พร้อมกับพูดอะไรกันเอ อ, อะบวกเวกอนุชาตะโกนสั่งให้พวกนั้นกลับหมู่บ้านทันทีโดยบอกว่าถ้าพวกซับบอนต้องการซากเสือก็ไม่ให้มาเอากันในตอนเช้าแล้วทั้งหมดก็พากันกลับโดยพี่ชายกลางเดินโอบไหลประคองน้องสาวมาด้วยหล่อนกลั้นน้ำตาวางสีหน้าเป็นปกติเหมือนเดิมด้วยพลังใจอันเข้มแข็งหันไปตะโกลร้องเรียกเจ้าด้วนด้วยเสียงอันดงัง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 เมื่อกลับมาถึงบริเวณที่พักในเขตของหมู่บ้านพวกกระเลงที่ติดตามไปด้วยเมื่อครู่นี้ยังคงเข้ามาชุมนุมพู้จาหาเรืออะไรกันอยู่กัะนานอินและขยินอีกคู่ใหญ่เชษฐาชายันและดารินเข้าไปนั่งยังบริเวณที่สำหรับพักนอนแล้วเกิดความสงสัยก็ตะโกนถามออกไปพวกนั้นจึงพากันเดินเข้ามาใกล้พวกที่สงสัยว่า ซื้อตัวที่น้อยยิงตายคาซากช้างไวจะเป็นตัวเดียวกับที่คาบเอาลูกชายของหัวหน้าหมู่บ้านหายไปเมื่อสามสี่อาทิตย์ก่อนหรือเปล่าอนุชาหรืออดีตพรานชดบอกกับเพื่อนและพี่บอกพวกเขาไปว่าพรุ่งนี้เราจะไปดูและจะร่วมพิจารนากันอีกครั้งพี่ชายใหญ่อันเป็นหัวหน้าคณะบอกผ่านทางน้องชายและหนานอินให้อธิบายกับพวกนั้น แต่พี่คิดว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะเสือกินคนน่ะลงได้เคยกินคนสักครั้งหนึ่งแล้วมันก็มักจะคอยดักเล่นงานคนเป็นประจำไม่สนใจที่จะคอยกินซากสัตวายอยังนั้นหรอกแล้วก็จะต้องเป็นเสือประเภทหากินเดี่ยวแก่ชรามากแล้วก็พิการแต่นี่เห็นน้อยบอกว่ามันมากินซากช้างกันอยู่สองตัวจึงน่าจะสันนิษฐานได้ว่าไม่ใช่ตัวที่เคยฆ่าปลอยลูกชายของเขาหายไป มีการพูดอะไรกันอยู่อีกสองสามคำระหว่างนันอินอนุชาและพวกนั้นต่อมานันอินก็บอกว่าก่อนที่จะออกเดินทางจากที่นี่ไปนายรพิน์เรียกกระเรียงไปขา้มาบอกว่าถึงแม้จะไม่มีเวลาติดตามเสือกินคนตัวนั้นให้ได้เพราะต้องรีบไปก็ตามแต่ก็ปลอบใจไว้ว่าไม่ต้องคอยห่วงอะไรเกี่ยวกับเสือกินคนตัวนั้นหรอก เพราะมันจะต้องตามคณะของนายระพินไปคงไม่มายุ่งยามอยู่แถวซับบอนอีกรอแล้วตั้งแต่ระพินผ่านที่นี่ไปแล้วกว่าอาทิตย์พวกหมู่บ้านซับบอนมีระแคะระคายอะไรเสือตัวนั้นอีกไหมหรือว่ามีใครถูกมันกัดอีมั่งชายันถามมาบ้างไม่มีอะเงียบหายไปเลยไม่มีใครเห็นมันหรือพบว่ามันมาอาลวาดอีกละอนุชาเป็นคนตอบ ท้งนั้นก็ไม่น่าห่วงอะไรอีกนี่ไอ้เสือกินคนตัวนั้นคงจะสะกดรอยตามหลังคณะของระพินไปจริงโดยเลือกสนใจกับหมู่บ้านซับบอนหรือชาวป่าในละแวกนี้ทั้งหมดเพราะสัญชาตญาณเสือรู้ดีว่าเหยื่อแบบไหนง่ายสําหรับการเล่นงานของมันมากกว่าแล้วมันจะเลือกเอาเหยื่อที่ง่ายเข้าไว้ก่อนแต่ถ้ามันคอยติดตามหลังระพินจริงป่า น, นี้ก็เสร็จไปแล้วระพินคงไม่ปล่อยไว้หรอกไม่ต้องไปตามล่าเสียเวลา คงเข้าทางปืนของนายนั่นเองเขาจะได้ไม่เวลาใดก็เวลาหนึง่งจะสืบทะลึ่งตามคณะนั้นไปก่อนพวกในหมู่บ้านจะลากลับไปนอนดาริมคำชับอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเจ้าด้วนของหลอนโดยห้ามเด็ดขาดไม่ให้พวกในหมู่บ้านทําอันตรายใดๆมันทั้งสิ้นถ้าบางอื่นหินมันป่นเปลี่ยนใกล้ชิดเข้ามาพวกนั้นรับปากอย่างมั่นคงและก็ไม่เป็นการยากอะไรเนื่องจากเจ้าด้วน เป็นช่างที่พวกกระเรียนหรือชาวป่าโดยทั้งหลายคุณหน้าจามันได้ดีอยู่แล้วอันเนื่องจากมีจุดสังเกตง่ายรอยตำหนิปลายหางของมันที่กุดด้วนผิดไปกว่าช่างป่าอื่นๆพร้อมทั้งให้รายงานเพิ่มเติมว่าระพินไครวันเองก็ได้เคยสั่งเตือนไว้ในความหมายเช่นเดียวกันนี้ก่อนหน้านี้นานแล้วคืนนี้ระหว่างที่พวกเรายังพักอยู่ที่นี่ เจ้าด้วนก็คงจะพุ้นเปียนอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนี่แหละไม่ไปไหนไกลหรอกจึงขอสั่งพวกเราทุกคนไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นกระเรียงซับบอนหรือคณะฝ่ายพวกเราระวังอย่าเข้าใจผิดเป็นนันขาดดูให้แน่ๆซะก่อนว่าเป็นเจ้าด้วนหรือเปล่านะหลนสั่งเป็นประโยคสุดท้ายทุกคนแยกย้ายกันไปคงปล่อยคณะเจ้านายทั้งสี่คนอันประกอบด้วยสามชายชะกันหนึ่งหญิงสาว ให้รวมกลุ่มกันอยู่ตรงที่พักนอนคู่นอนริมชิดซ้ายสุดคืออนุชาถัดมาเป็นเชธธิดาชิดขวาสุดก็คือชัยยันโดยกันที่ตรงกลางระหว่างเชิฐาและชัยยันไว้สำหรับเป็นที่นอนของดารินผู้ซึ่งขณะนี้ยังนั่งกอดเข่าสูบบุหรี่อยู่ในระหว่างที่สามชายเอนหลังลงหมดแล้วอนุชานั้นเมื่อเข้าป่า สัญชาตญาณของเขาก็คือพรานชดนั่นเองไม่สนใจอะไรอีกนอนหันหลังตะแคงให้กับทุกคนหันหน้าออกตาทำท่าจะหลับไปง่ายๆเช็ดฐานอนไายกอดอกเอาหมวกสกักลาดปิดหน้าส่วนชา ย, ยันยังนอนลืมตามองดูหลังคาพลาสติกที่ขึงกั้นนำค้างสูงจากพื้นขึ้นไปแค่เม็ดเดียว <c oughs> นี่น้อยเพื่อจ้ า, จอาอยัางไงกันแน่เกี่ยวกล้ด่วน ฉันรู้สึกว่ามันจะติดเธยแจนะคอยพัวพันใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เชื่อว่าไม่ว่าพวกเราจะไปทางด้านไหนมันก็คงจะคอยตามไปทุกระยะนั่นแหละในที่สุดชยันก็เอ่ยขึ้นเบาๆความจริงมันก็ไม่ได้ทําเรื่องยุ่งยากหรือเป็นภาระอะไรสําหรับเราเลยนะชยันในการที่จะมีช้างป่าสักตัวหนึ่งมีสัญชาติญาณแห่งความรู้คุณกระตันยูคอยตามใกล้ชิดคณะเราอยู่ในขณะนี้ เราไม่ต้องไปกังวลเสียเวลาเลี้ยงดูหรือแบกหามอะไรมันไม่ใช่เหรอแล้วตรงข้ามน่าจะเป็นการดีซะอีกในการที่มันคอยอยู่ใกล้ๆเราอย่างน้อยก่อนที่อะไรมันจะถึงตัวพวกเรามันก็จะคอยเป็นยามระวังเหตุเตือนให้เรารู้ไงไอ้ข้อนั้นมันก็ดีอยู่หรอกน้อยฉันรู้ว่าเธอมีประสาทส่วนพิเศษที่จะคบหาสมาคมกับมันได้โดยที่มันเอง เรียบเหมือนช้างเลี้ยงเชื่องเชื่องสำหรับเธอและตัวเธอเองก็เป็นความประจำตัวมัน <c oughs> แต่มันจะเชื่อสําหรับเธอคนเดียวเท่านั้นนะน้อยคนอื่นยังไม่แน่กลัวว่าถ้ายังขืนพัวพันธใกล้ชิดอยู่แบบนี้มันอาจเล่นงานพวกเราคนใดคนหนึ่งเข้าก็ได้นะ่ะดารินถอนใจบเบาสั่นศีรษะบรรจุกระสุนไรเฟิลสองนัดเพิ่มเติมทดแทนให้แกสองนัดที่ยิงไปก่อนแล้วและลดนกไว้ วางปืนลงข้างๆตัวอย่าห่วงเลยนะชัยันฉันขอรับรองเองว่ามันจะไม่ทำอันตรายพวกเราคนใดแน่นอนขออย่างเดียวอย่าไปยิงหรือทำอะไรให้มันตื่นตกใจเข้าเท่านั้นแล้วฉันก็คิดว่ามันจะไม่ตามเราไปไกลนะกรบตอนนี้มันเป็นช้างพิการชั่วคราวคงอยากจะอยู่ใกล้ๆเพื่อให้ช่วยรักษาบาดแผลที่เท้าแล้วก็อาศัยพวกเราช่วยปกปักคุ้มครองมันด้วย ในกรณีที่จะถูกเจ้าพวกช้างไรเหล่านั้นน่ะรุมทั้งเล่นงานจะแน่ใจว่าพอเท้าของมันหายพอจะเดินเหินได้สะดวกเหมือนเดิมมันก็คงจะแยกจากเราไปเองแหละฉันน่ะไม่กลัวอะไรหรอกรลัวมันจะแอบมาชวนเธอไปไหนกลางดึกแบบคืนนี้อีกอ่ะแล้วเธอก็หลอบหนีไปกับมันซึ่งก็ยังไม่รู้ว่ามันจะพาเธอไปไหนได้ยุ่งกันไต่หงเธอเองอ่ะระยะ น, นี้ก็สติดีซะเมื่อไหร่บ้าบ้าบาบา ผิดสังเกตไ้มากซ้ำยังคิดแล้วก็เชื่อมัน่นตามภาษาตัวเองว่าเจ้าด้วนมันรู้ความในใจของเธอรักพักดีกับเธอเหมือนลูกที่รักแม่ดารินฝืนยิน้มสุกใบหน้าลงกับแขนที่ประสานกอดเข่าทั้งสองเหลือแต่ดวงตาที่มองจัดไปยังกองไฟปลายเท้าของที่นอนอย่างไม่มีความหมายใช่เจ้าด้วนมันรู้ความในใจของฉัน รู้ดีซะยิ่งกว่าพวกเราคนใดซะอีกไม่งั้นมันก็คงไม่พาฉันไปดูที่พักของระพินเมื่อตะกี้นี่หรอกนอกจากจะเป็นช้างแสนรู้เป็นพิเศษแล้วยังกล้าหาญแล้วก็ใจสู้เสมอขนาดได้กลิ่นเสือแทนที่จะเพ่นกลับถอนต่อไม้เตรียมสู้ทั้งๆ ท, ที่ตัวเองก็ขากระเยกอยู่ตอนฉันยิงเสือขณะที่สาดไฟไปพบดวงตา ก, ก็เหมือนกันมันหยุดยืนนิ่ง ให้ฉันยิงบนหลังอย่างรู้ที่สุดถ้ามันยังเดินหรือเคลื่อนไหวขนาดนั้นฉันจะยิงไม่ถูกเลยแล้วก็ไม่ตกใจเสียงปืนด้วยขณะที่ยิงบนหลังมันแต่เอาเถอะต่อไปฉันจะไม่ทําอะไรที่พวกเธอคิดว่าบ้าบอคอแตกอย่างเมื่อกี้นี่ละกล่วาวจบหลอนก็เอนหลังลงกับพื้นช้าๆชันเข่าข้างนึงขึ้นเมื่อลงนอนภายในเนื้อที่แคบจํากัดของพลาสติกหนาที่ปูพื้นไว้ ลักษณะของการนอนจึงอยู่ในภาวะเบียดไหลหล่อนแทบเกยไหลเพื่อนชายผู้เปรียบเสมือนพี่ชายหรือญาติสนิทชายยันนอนนิ่งอยู่ครู่ก็ขยับตัวอย่างอึดอัดกระสิบน้อยอือเธอย้ายไปนอนตรงกลางระหว่างอนุชากับเชิดถาปไปแล้วก็ทุกครั้งในการนอนอะ่ะไม่ว่าที่ไหนขอรักษาแปลนการนอนของพวกเรา ทงสี่คนไว้ในลักษณะอย่างนี้เสมอทำไมมีผลไงดารินถามมาอย่างพาซึ่งคนหลับก็คือคนไม่รู้สึกตัวแล้วคนไม่รู้สึกตัวก็อาจทำอะไรออกไปโดยไม่รู้สึกตัวได้ฉั น, นเป็นคนนอนขี้ละเมอและขณะนี้ฉันก็เพิ่งจะจากเมียมาผู้แค่นี้เธอคงเข้าใจนะ ดารินพลิกตัวตะแคงหันไปทางชัยยันลืมตาใสมองดูแล้วก็จุ๊บริมฝีปากเบาๆไปที่ปลายจมกูกอันเย็นเฉียบของเพื่อนตายอย่างรักสนิทนี่ชยยันฉันคิดอยู่เสมอนะว่าฉันไม่ได้มีพี่ชายอยู่เพียงแค่สองคนแต่มีอยู่สามคือเธอด้วยอีกคนนะเออฉันเข้าใจ แต่เพื่อความสบายใจของฉันเอาเป็นว่าเธอทำตามที่ฉันขอร้องดีกว่านะนี่ชยันเธอคิดถึงลูกคิดถึงเมียมากไหมชยยันยิ้มซึมซึพยักหน้าก็เป็นธรรมดานะแต่อย่าไปพูดถึงเลยถึงยังไงทั้งลูกและเมียฉันก็อยู่ในที่อบอุ่นปลอดภัยหมดห่วงได้แล้วสำหรับฉันดพินต่างหากที่อยู่ท่ามกลางอันตราย ยิงเป็นบุคคลที่ฉันและเราทุกคนควรจะคิดถึงเขาให้มากที่สุดหรืออย่าคิดอะไรฟุ้งซ่านมากนักเลยรวบรวมกำลังใจเข้มแข็งที่สุดเราทุกคนมากับเธอแล้วแล้วก็ไม่มีใครทอดทิ้งระพินไปนอนนักกำลังกายและกำลังสมองไว้ดีกว่าปัญหาเบื้องหน้ายังมีอีกมากนะักราตรีสวัสดิ์ชยันดารินทร์ประสิบบอกเป็นครั้งสุดท้าย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 ตอนไอ้งาดำติดตามตอนต่อไปในจิตกลางคนา